ไช่คุณชายคุณชายเป็นไงเพย์เอ่อูทูปไปแล้อยังสนได้อย่าง u ู u ูปอ่ากําลังครับผมกำลังอยู่นะอ่าท่านตามได้เใครอยากจะดู y o u t u ู e ก็เข้าไปดู Youtube ได้พระสุชาติไลฟ์มีสองช่องมีทั้งพระอาจารย์สุชาติสองคนเลยใช่ไมพอจอได้วหครับไปยูทู สามช่องด้วยกันสีเขี่เป็นยังไงครับเาท่านเท่าปิดวีดีโอสามท่ า, ม า, ม า, มานคุณโสภนานิววันววันเข้ามาสวัสดีจ้า ทีมงานทัางนั้นเนี่ยเชิญแขงแก้วจานสุชาติอ่โมาแล้วคุณเบนจรวรรณคณิจ่าคุณเบนจรวรรณพูดได้เลยอันมิวเปิดไมล์หลุดไปแล้วอ๋อยังไม่หลุดคุณเบนจรวรรณอันมิวได้เลยนะค่ะกับอาจาจรย์จะค่ะ จากชนบริใช่มไหมจ้าใช่ใช่ค่ะอ่าสวัสดีเหรอสวัสดีจ้าค่ะฝนตกหรือเปล่าไม่ตกจะข่าวอาจารย์ ม, มีอะไรจะคุยจะถามไหมอ่าอยากถามพระอาจารย์เรื่องการากะะาาระงับความโกรธ<ช>จะหาอาจารย์ระงับความโกรธใช่จ้าค่ะป้งกันความโกรธไม่ให้เกิดไม่ดีกว่าแล้วจะได้ไม่ทําไประงับมันออื กค่ะความโกรธก็เกิดจากความอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้คนนั้นทาอย่างนั้นทำอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธเเสียจใจนั้นวิธีที่ดีสุดคือหัดทําใจแบบสันโดษยินดีตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีสัไว้ตี๋ยเขาเ ข, า, เขาผัดมาให้ก็โอเคก็ค่ะใช่ไหม ไปหวังอะไรอยากใครสั่งก็แล้วสั่งของมาแล้วเขาให้อีกอย่างมาก็โอเค<ม>เข้าใจไหมอย่างนี้ดีกว่ า, าถ้าไม่งั้นมันจะต้องคอยมาแก้อยู่เรื่อยๆโกดแล้วก็ต้องมาให้อภัยเขาจรองเวรจองกรรมกันแผ่เมตตากันอันนี้มันแก้ที่ปลายเหตุ ามาแก้ที่ต้นเหตุคือใจเราดีกว่าใจเราไปอยากเองอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้เป็นนั่นเป็นนี่พอไม่ได้เป็นก็โกรธขึ้นม า, ามาแก้ที่ใจเราดีกว่านะอย่าไปหวังอะไรอย่าไปต้องการอะไรจากใครเราจะไม่โกรธนะจะหายาจดีไหม <laughs> ดีจ้ะค่ะทำได้ไหมล่ะ ทำไม่ค่อยได้อ่ะแตจะ่จะลองพยายามดูค่ะนะพระพุทธเจ้าบอกผ่านใช้มากน้อยสังดอนนะทบการน้อยๆเอาเท่าที่จําเป็นอย่าโลภมากเดี๋ยวว่าอย่าอยากรวยอยากเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตนะีไทําหน้าที่ของเราไม่ได้ขี้เกียจมากน้อยไม่ได้บางคับว่าให้ขี้เกียจนะน้อยก็คืออ ย, อย่าไปหวังมากนะฟังเอาเท่าที่จําเป็น สำหรับการทำลงชีพพ อ, พอมีพอกินก็โอเคแล้วถ้าได้มากกว่านั้นก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดอย่างนี้จะหายาจตายไปก็ะายไปไม่ได้คิดถึงความตายบ้างมันจะได้ลดความโลภความอยากมันจะเรียนนอนนะนึสติอยู่เรื่อยๆวันน้นหลายๆครั้ง พระเจ้าถามว่าอนนท์ว่าอนนท์วันหนึ่งเธอจเจริญมานานุสติสักกี่ครั้งอนนท์บอกประมาณสี่ห้าครั้งพระเจ้าบอกเธอยังประมาณอยู่ยังไม่พอเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะถ้าเธอยังไม่โลภไม่อยากได้อะไรเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายนะหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายนะ คิดอย่างนี้ค่ะอาจารย์าหามาได้แทบเป็นแทบตายกดถแทบเป็นแทบตายแล้วเอาอะไรกปได้ไม่ได้เลยั้แต่ชิ้นเดียวเอาแต่ความเสียใจไปเอาแต่ความผิดหวังไปดีไหมค่ะอาจารย์ okay. มีอะไรไหมไม่มีละค่ะ อันนี้ก่อนนะค่ะ <ขา S 1> ไปท่านต่อไป <ขา S 1> คุณนิด <ขา S 1> อ, อยากจะพูดแรือเปล่ารู้สึกมันมืดในะห้องคุณนี่คงุงจะไม่ได้ยินมั้งเปิดไม้อยู่แต่ไม่ได้ยินไม่ไม่ได้ยินเสียงรังครับโอเคองั้นไปที่พุทพิณสุชาอเปิดไม้หน่อยแล้วมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์จากทีนอะไรจ้า จากอุดรเจ้าค่ะอุดรเคยเข้ามาแล้วนะเคยเข้ามาแล้วเจ้าค่ะอเสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะท่านี้ฝนตกขบ่าที่อุดรไม่ตกเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะร้อนเรียนร้อนเจ้าค่ะอากาศร้อนคเจ้าค่ะมีอะไรจะถามไหมอ๋อมาร่วมรับฟังเจ้าค่ะเหมือนพระอาจารย์ตอบไปแล้วเจ้าค่ะเอี่ยตอบคำถามไปแล้วเนะย ใช่เจ้าค่ะโอ้เดียวกันเจ้าค่ะดีรอบโกนของทุกคนเจ้าค่ะดีฟังไปแล้วกันนะเจ้าค่ะนามสการเจ้าค่ะวิชานคนปรปฐมเป็นยังไงความที่อยาว่หรือยั ง, งวนะ้วกับมวครับกลับต่อมาจากที่ไหนไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยจัง บองพระภูมิครับองพรภูมิครับที่ว่าจะไปบวชท้าไหนไม่บวชวัดป่าธรรมกีรีครับคนละคนละที่กันครับอยู่ที่ไหนวัดป่าธรรมกีรีที่ปากช่องครับปากช่องนะครับเป็นวัดมีผ้าเยอะไหมตอนในพรรษาน่าจะยี่สิบกว่าครับแต่ก็พรรษาเห็นยู่มีประมาณสิครับอ่ดีน้อยอ่ะดีครับยกเว้นถ้าเป็นยกเว้นถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็อาจจะมีเยอะ ไม่ว่าที่มีปฏิบัตินะถ้าไปทําไม่ว่าที่มีก่อสร้างแล้วเสียจะคลายเป็นช่างก่อสร้างเลยครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ช่วยท่านออกแบบไปก่อนครับแต่ว่าตอนตอนตอนบวชแล้วก็น่าจะปฏิบัติให้มากกว่านี้ครับอย่าไปยุ่งกับงานภายนอกมากเกินไปนะครับเดี๋ยวงานภายในก็เสียครับเราบวชเพื่องานภายในไม่ได้บวชเพื่องานภายนอกครับอืม ก็การเป้าหมายของเราครับผมก้าวเรียนทันเลยแล้วว่าถ้าถ้าถ้บวชเมื่อไหร่ก็คือของปฏิบัติเต็มที่เลยเป็นผู้เห็นภายในวัฏสงสารภิกษุแล้ว่าผู้เห็นภายในวัฏสงสารไม่ใช่มาสร้างพบสร้างชาติสร้างสร้างโบวชสร้างเจดีอันนั้นปล่อยให้คนอื่นกขาเราเรามาลบตัดพบตัดชาติเรามาดับอาจารย์ท่านก็ให อ่ั่แหละนะอย่าอย่าลืมจุดประสงค์เดิมของเราก็แล้วกันเวลาที่เราบวบเดี๋ยวพอไปอยู่แล้วเดี๋ยวถูกคนนั้นช่วยวันนี้ชวนเกรงใจเขาไม่ทำให้เขาก็ก็เดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นคาวาสอยู่ก็ช่วยทำนี้เต็มที่อ่กอครับแต่ว่าไม่ป<ม>ิ<ด>บัติ<ม>ด้วยนนถ้าอยู่ไม่ได้ก็ย้ายไปถ้าอยู่แล้วต้องต้องไม่ได้ปฏิบัติก็อย่าอยู่ดีกว่า มหาว่าที่ให้เราปฏิบัติได้ครับท่าน <Okay. S 2> ท่าท่านทา น, ทานให้เราปฏิบัติครับ่ อ, อใช่ปฏิบัติก็โอเคไม่มีปัญหาเลย <Okay. S 1> มีอะรอยากจะถามไหมวันนี้ไม่มีครับตอนนี้ก็คือเร่ ง, งความคือพระอาจารย์ที่ไปมห้าวันนท่านก็สอนทุกอย่างแล้วสอนถึงท <c oughs> ่านดูว่าอันไหนที่ผานจริงอัไห ว่าอันไหนหลอกอันไหนหลงคือตอนนี้อยู่ที่ความเพียรของเราแล้วครับว่าเราจะทําไปได้ตามที่ท่านท่านบอกหรือเปล่าตอ น, นีตอ้ต้องต้องพยายามผลักดันตัวเองต้องมีต้องสร้งเปล่าว่าต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนตื่นมาก็รเริ่มเลยท่านท่านให้ตอนนี้คือท่านให้เราดูดูกันเวลาเราทํา ในชีวิตประจำวัดครับว่าแบบกินนั่งเดินนอนหรืออะไรพวกนี้ยให้เราดูมีสติรู้ตลอดออแล้วก็ให้ให้ให้เท่าเท่าให้รู้เท่าทันจิตที่มันจะคิดให้ทันจิต ท, ที่มันคิดอย่าให้มันคิดอย่าให้มันคิดครับท่านบอกว่าให้ดูให้ตามดูจิตแล้วสังเกตุท่องคล่องแค่แล้วก็ก็จะรู้ทันมันรู้เท่าทันมันข้าหมายแรกก็คือว ค, ควบคุมการความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้ ยังไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญาใช่ไเอาสติก่อนนะท่านให้มีสติรู้แต่เนี้ยหยุดความคิดมีสติรู้ก็หยุดความคิดนะไม่ใช่รู้แล้วคิดถ้อรู้แล้วคิดก็ยังไม่มีไม่ไม่ท่านไม่สติเนี่ยนะโอเคนะเหี่ยไปท่านต่อไปก่อนนะคุณเล็กคุณเล็กเชิญอ่นนิ้วไมโครโฟนได้ค่ะอยู่ที่ไหน อยู่ที่สมุดปะ ก, การนะคะสมุดปา ก, กาเคยเข้ามาหรือยังยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าได้ฟังคลิปของพระอาจารย์บ้างจาก y o u t u อะคะ่ะแล้ววันนี้เข้ามาได้ยังไงพอดีจ้เองเหรอพอดีกำลังไถ facebook อยู่แล้วก็เห็นว่ามีไลฟ์พอดีะค่ะก็รู้สึกว่าโอเป็นเป็นตังหวะที่ดีเลยค่ะก็เลยเข้ามาเลยอ่าดียนี้อะไราจะถามนี่ค่ะพระอาจารย์คือเป็นเป็นปัญหาของเพื่อนนะคะช่วงนี้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งบ่อยแล้วก็ เห็นใจเขาเผื่อว่าพระอาจารย์จะมีคําแนะนําอะค่ะคือเพื่อนอะคะ่ะเขามีพี่น้องสองคนเสร็จ แ, แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะรักน้องชายมากแล้วก็แบบเ อ, อคือส่วนหญเพื่อนจะต้องเป็นคนดูแลพ่อแม่ในขณะที่น้องชายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะาพ่อแม่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากจากน้องชายทั้งสิ้นนะคะคือเขาจะรักผู้ชายมากกว่าเราไม่รู้ว่าเราอยากจะแนะนําเพื่อนยังไงให้เขารู้สึกไม่ทุกข์ใจอะคะ่ะเพราะาเขาเป็นทุกข์มากกับการที่ เขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างคนเดียวค่ะคือเราอย่าเขาอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปมองน้องชายเขาเน่ะให้เขามองตัวเขาเองกับความจำเป็นกับเขากับพ่อแม่เขาเป็นหนี้พ่อแม่ถ้าเขามีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ทลายถือว่าเขาโชคดีพระพุทธเจ้าถือว่าการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่เป็นมงคลอย่างยิ่ง มาตาปปิตุอุปถานังอิตัมมังกาลมุตตมาไม่ต้องไปหาไปเลียงพระอาหารนอกบ้านเ ร, เรียกพระอาหารในบ้านก่อนให้คิดถึงบุญคุณของพ่อแม่ที่ให้กําเนิดเรามาที่เลี้ยงดูเรามานี่ท่านจะไปรักคนอื่นมากน้อยมันเรื่องของท่านมันเราอย่าไปสนใจถ้าไม่รักเราเลยก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นหนี้ท่านของเราเ็ต้องใช้ทดแทนหนี้ไป <c oughs> เราจะมีความสุขเราไม่ได้อไม่ได้เนรคุณไม่ได้ <c oughs> อักตันอยู่แล้วความสุขความเจริญในชีวิตของเรามันจะมาเองความกตัญญูความอกตัญทีความไม่เนรคุณเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติที่ดีของเราใครได้ยินได้ฟัง <c oughs> เขาก็จะรักเราชอบเรา <c oughs> ดีใจถ้าไอ้ก็มองในแงน่ <c oughs> ในมุมดี อย่าไปมอง ใ, ในคนอื่นเพราะแม่เขาอาจจะรักลูกคนอื่ น, นเพราะว่าเขาอาจจะมีความพอใจอะไรถ้าเรื่องกิเลส ข, ของเขาก็าอาจจะไม่พอใจเราไม่รักเราเขาช่างหัวเขาหวังอะไรจากเขาขอให้เราทำหน้าที่ลูกที่ดีทดแทนบุนคุณของพ่อแม่พ่อแม่เป็นเหมือนผ้าหลานของลูก ทำบุญกับพ่อแม่ก็เท่ากับได้ทำบุญกับผ้าอารหันไม่ต้องไปหาผ้าอารหันที่ไหนมีผ้าอารหันอยู่ในบ้านแล้วนะถ้าอยากจะได้บุญค่ะเขาฟังอยู่หรอือเปล่าเขาน่าจะไม่ได้ฟังอะคะ่ะเดี๋ยวว่าหลังจะลองชวนเขาเข้ามาด้วยอะคะ่ะอันนี้ก็ยังไม่ยังเปิดฟังดูย้อนหลังได้เดี๋ยวถ้าอยากจะ เลือกบอกก็ได้ก็บอกเข้าไปถ้าบอกไม่ได้ก็กด้ังดูค่ะค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมคุยกับเขาค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะสมุดประการใช่ไมเมื่อกี้บอกได้ค่ะสมุดประการค่ะโอเคดนัขอไปที่ท่านต่อไปคุณไก่คุณไก่อ่านไม้ได้อันนี้วไม้อยู่ที่ไหนคุณไก่เอ ข้ราการของพ่อครับมาจากที่ไหนจากกรุงเทพครับของพ่อกรุงเทพนะครับมีอะไรไหมครับขอสอบถามนิดนึงครับพอดีผมก็พยายามปฏิบัติตามเขาเรียกว่ามีสติเวลาเห็นความคิดผุดครับบางทีก็มีบ้างไม่มีบ้างครับแล้วก็พยายามจะฝึกทําตามรูปแบบคือเดินสมาธิเอานั่งสมาธิเดินจงกรมครับก็จะได้วันละประมาณครึ่งชั่วโมงครับช่วงก่อนนอน แต่พอดีหลังๆนะครับพอดีผมมาเปลี่ยนมาทําอาชีพเกี่ยวกับขายออนไลน์ครับจะยุ่งจะยุ่งเกี่ยวกับแบบโซเชียลมือถือเยอะมากแล้วสติจะไม่ค่อยมีเลยครับหลวงพอ่อพอจะมีชี้แนะหน่อยได้ไหมครับก็พยายามใช้พุโทโธพุโทโธทําพุโทโธไปในขณะที่เราทำงานก็ได้ช่วงไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมันครับทำจิตบ้าง อย่าปล่อยให้มันคิดตลอดเวลาครับผม ค, คิดเฉพาะช่วงที่จําเป็นต้องคิดจริงๆครั บ, รบที่มัจนจําเป็นต้องคิดก็พุโทโธพุทโธครับบางทีมันหลงยาวเลยครับบางทีแบบว่าพอรู้ตัวอีกทีแบบโอ้โหแบบเกือบทั้งวันเลยเ อ, อครับผมหัดหัดหัดฝึกพุโทโธหัดท่องพุโทโธตั้าแต่ลืมตาขึ้นมาเลยก่อนที่เราจะไปทํางานนี่พุทโธได้อาบน้ําครับ ดางงาแปลงฟันแสงเงาแต่งชัวชัวแต่ก่อนก่อนที่ <ๆ S 2> จะมาขายออนไลน์ครับตื่นมาก็พยายามพูดโทรก่อนอาบน้ําแล้วก็จะมาไหว้พระท่านทะไรแต่ตอนนี้ครับตื่นมาคือต้องหยิบมือถือก่อนเลยครับเช็คว่ามีลูกค้าสั่งของมาไหมอย่างนี้คต้องคอยตอบบางทีลูกค้าจะมีข้อความทักมาอย่างนี้ก็เลยแบบตื่นมาก็ไปยุ่งกับโซเชียลตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ต้องกำหนดเวลาทำลายเวลาถือว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับไม่ตายหรอกถ้าถ้าไม่ได้เปิดดูตอนนี้ครับ ครับพอครับขอทํากิจส่วนตัวก่อนขอตั้งหลัก่อนขอตั้งสติก่อนขอเอเตรียมตัวก่อนอาบน้ำล้างหน้าจากท่าหนังหน้าแปลงฟันทำให้มันเป็นเรื่องๆไปครับพอครับพอเสร็จกินข้าวเสร็จทีพร้อมจะทํางานก็ลุยเลยโอ้ครับผมงั้นผมต้องจะได้จัดเวลาใหม่จัดเวลาใหม่ถ้ามันมีตาราอไม่งั้นมันมันกิเลสมันยาวแต่เรื่องเงินใช่ครับอืใช่ครับอันโลกไง ที่เราก็ระห่ร อ, อ, อจะเอไปถึงไหนวะเดี๋ยวก็ตายแล้วตาย<ช>ต อ, อะไรกันไม่ได้ครับผมพ่อพยายามจะคิดอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบโห ต, ต้องต้องปรับตัวใหม่แล้วต้องต้องมีขอบเขตต้องมีกําหนดเวลาการทํางนานครับผมที่ทำเนื่องจากลืมตาขึ้นมาทั้งหลับเนี่ยเอางี้มันทําได้ตลอด24ชั่วโมง ม, มีมือถือออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่เราก็ต้องมีเวลาของเรามากรักษาจิตใจของเรา การหาเงินนี้ก็เพื่อมารักษาร่างกายของเราแล้วก็รับเพื่อที่จะมารักษาจิตใจของเราแับถ้ามาเป็นการทําลายร่างกายเราทําลายจิตใจของเราหามาทําไมครับใช่มถ้าเกับมาเราทํางานเพื่อให้จิตใจเราสบายมีความสุขให้ร่างกายเราไม่เดือดร้อนครับผมงั้นถ้าเกิดทําไปแล้วกลับมากดดันทั้งร่างกายทั้งจิตใจสุขภาพก็ไม่ดีร่างกาย นอนก็ไม่พอกินก็ไม่เป็นเวลาครับจิตใจก็เครียดฟุ้งอยู่ทั้งวันนี้นใช่<ำ>ครับทําไปเลยเครียดฟุ้งมากครับอย่างบางทีอย่างเงี้ยช่วงที่ลูกค้าไม่มีเข้ามาจิตก็จะคิดพวงแล้วโอโ้เครียดคือแบบพอมาทําำก็พยายามเดี๋ยวพยายามผมจะพยายามแบ่งเวลาตามตามที่ที่หลวงพ่อแนะนำนครับว่าว่ามองภาพมองภาพรวมเฉลี่ยวันวันนี้อาจจะน้อยพรุ่งนี้อาจจะมาก ครับดูภาพรวมเดือนนึงเป็นยังไงดูไกลๆดีกว่มันจะได้ไม่เครียดแล้วมา<ช>ดูทุกทุกวันทุกชั่วโมงเนี่มันจะเครียดมากวันนี้น้อยของเมื่อวานเป็นพ่ออะไรวะอย่างงูอย่างนี้ใช่ครับพามารถก็โลบอยากให้มันมากกว่าใช่ครับใช่เลยครับหลวอพ่ออย่าไปเอาเราดูภาพรวมเนี่คแต่เส้นเดือนเนามามาบวกลบคูณหารสักครั้งนึงว่าเดือนนี้กำไรหรือขาดทุนครับครับนะ ครันมี ม, มีกฎมีระเบียบบ้างไม่ใช่ทําแบบฟรีแลนซ์ทุกอย่างทําตามกิเลสทุกอย่างใช่ได้ครับหลงพอ่อเพระช่วงหลังๆนี้คือหลุดมากเลยมารู้สึกตัวเองว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าแบ บ, รบเราก็รู้ว่าจุดหมายเราคือแบบไม่ได้แค่ทางโลกอย่างเดียวแล้วครับเพราะเราก็อยากจะฝึกตัวเองให้ต่อยอดให้ไม่อยากคนทุกข์ได้ถึงไม่ได้ในชาตินี้ก็อยากจะต่อยอดให้มันติดตัวไปพบอื่นๆนะครับอย่าไปอยากรวยทำพอให้เลี้ยงชีพได้ก็พอครับสลงพ่อครับ ทำแบบผ้าผ้าเป็นจารบัดมาได้วันเท่าไหร่ก็เท่านั้นเงินเหลือก็ยกไปกวนไปพรุงนี้ไปหาใหม่ไม่ตายหรอกครับหลวงพ่อครับไม่ไม่รบกุนหลวงพ่อแล้วครับเดี๋ยวให้ท่านอื่นตอบครับท่านต่อไปคุณตะกรตะกรน่ะคุณตะกรนอยู่ที่ไหนค้ามัรสถารครับอาจารย์ออยู่เรี่ยงกีดครับเเอมืองอะไร อยู่เมืองเซาเทมป์ตันนครับเซามป์ตันตอนใต้เลยใต้ไหมครับเรียนไปในเอกอยู่ที่นี่ครับเมืองท่าใช่ไหมเซาเทมป์ตันใช่มครับทางตะวันตกใช่ไอยู่ทางใต้ครับใต้ใต้ครับใตากต์นะครับอันั้นมีฐานทัพหรือเริ่มคงยังมีเซาเมป์ตันน่าจะมีนะครับน่าจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเมืองมาเท่าไทยก็จะอยู่นี่มาประมาณสี่ปีแล้วครับทาเป็นยอรอ ใช่ครับผมตอนนี้ปีสุดท้ายแล้ครับทางไหนเนะ่ยผมเรียนทางด้านบิสเนสแมจเมนต์นะครับจบจากที่ไหนก่อนมาที่อังกฤษนก็ตอนตอนเรียนโผลเรียนที่ไบรตันนะครับอ๋อไบรตันครับเรเรียนที่องังกฤษทั้งตีโทเว่ยเกิดทั้งสามไปใช่ไหครับตีที่มอชอครับมาเวลาเชียงใหม่เป็นยังไงไมีอะไอยากจะถามไหมก็อ๋อ อยากจะถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิครับจริงๆปฏิบัติธรรมที่บ้านมาประมาณปีปีครึ่งแล้วครับปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองเพราะว่าอที่ยังขิ่นก็ไม่ไม่สะดวกไปวัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ศึกษาทา ง, งาอินเตอร์เน็ตเอพอนั่งสมาธิแล้วอะครับอาจารย์มันอ ม, นมันมีอาการคล้ายกระตกผวังนะครับคือช่วงหลังๆมันจะเป็นบ่อยมากเลยครับคือเหมือนมันถ้าเป็นผวังหลับก็ไม่ดีถ้าเป็นภ ว, วังสมาธิก็ดี มันคุณต้อังไม่หลับใช่ไหมมันมันมันไม่หลับอะครับมันมันมีรู้สึกตัวตลอดครับแต่ว่ามันมันเหมือนค่ำคืมันจะเค่ำมมากเลยอะครับแต่มันไม่ถึงหลับหลับมันใกล้จะหลับครับแต่แต่มันก็ยังรู้สึกตัวแต่ยังไม่แต่รู้สึกตลอดตลอดไม่รู้สึกแบบตื่นตัวแบบตอนนี้ใช่ไหมใช่มันจะไม่รู้สึกแบบนี้เหมือนเหมือนมันจะไม่รู้สึกเหมือนตอนเราดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยครับแต่มันจะคืบคืบแต่มันยังไม่ถึงกับควรจะลุกขึ้นมายืนด้วยเดิน ทำสมาธิแทนเพราะว่าถ้านั่งต่อไปเดียวมันก็หลับอ๋อครับนันสติแล้วหมดสติแล้วอ่อนกำลงังลงครับถ้านั่งมันสบายเกินไปก็ลุกขึ้นมาเดินปลกสติขึ้นมาบ้างครับเดินไปเดินสมาธิมันแทนที่จะนั่งก็เดินแล้วใจก็ทำงานเหมือนเดิมดูลมก็ดูลมได้ถ้าดูหรือรไม่ดูลมก็พุโทโร ดูดูเท้าแทนก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปครับจนกว่ารู้สึกถึงตัวเต็มที่แล้วกลับมานั่งใหม่ครับ <นะ S 2> แล้วอย่างปกติผมนั่งตอนก่อนนอนด้วยครับมันมันน่าจะเกี่ยวกันไหมครับว่าเราคงก็มีส่วนก็ทำงานมามนเหนื่อยทั้งวันมันก็อยากจะนอนนะพอมานั่งสมาธิพอจิตมันเริ่มจะสงบ ม, มันก็เลยเคลื่อนใกล้จะหลับไป ครับลองทําตอนที่ตื่นนอนเช้าดูน่าจะดีครับครับถึงมาป๊บเช้ามืดนี่มันจะสดชื่นแล้วมันจะไม่ง่วงน้ว่หน้าล้งตาแล้วก็ลองมานั่งสมาธิถ้ายังง่วงก็ลองเดินอยู่สักพักก่อนให้มันหายง่วงครับแล้วก็มานั่งต่อครับแล้วอย่างตอนที่นั่งสมาธิไปแล้วครับตอนที่ผ่านช่วงผวังมาแล้วครับมัน พอเราหายใจมันเบามากจนมันเหมือนมันจะหมดไปครับมันมันไปต่อไม่ถูกอะครับก็ดูเฉยๆไปดูว่ามันหมดเมื่อเราหมดก็รู้ว่ามันหมดแล้วก็ดูความว่างไปดูความไม่มีลมไปให้มีสติรู้เฉยๆไปไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวจิตมันจะรวมเข้าสู่ความสงบเองค่ะพงศดูไปให้มีสติรู้อยู่เฉยๆไปให้สักระว่ารู้ไปรู้ว่าไม่มีลม้วตอนนี้ แต่ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปปรุงแต่มันจะตายหรือไม่ตายไม่ตายลุมมันละเอียดโดยงั้นถ้าเราจับมันไม่ได้หรือมันอาจจะหายใจช้านานๆมันจะหายใจทักครั้งก็ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะถ้ามีสติรู้ตัวอยู่ไม่ไม่ไม่ตายนะแล้วถ้าเราดูเฉยๆไปเดี๋ยวจิตมันจะรวมเองมันจะเข้าสู่ความสงบแล้วคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ ก็อย่างอย่างผมเรียนเปาเอกไปด้วยอย่างนี้นครับเราก็ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมมาก็รู้สึกว่าเหมือนชีวิตมันก็มีความสงบมากขึ้นเราเราพยายามที่จะห่างจากอะไรที่มันทําให้เราฟุ้งซ่านมากขึ้นอย่างอินเทอร์เน็ตหรือว่า f เฟซบุ๊กไงครับผมก็ค่อยๆละเลิกมันนะครับแต่คราวนี้มันเหมือนคล้ายๆกับว่ามันมันมีใจที่มันตีกันอยู่ข้างในว่าเราเราไม่อยากใช้ชีวิตทางทางโลกเลยอย่างนี้ครับแล้วมันทําให้กลายเป็นว่าเราไม่ไม่ค่อยอยากจะ ทำงานที่มันเกี่ยวกับที่เราเรียนสักเท่าไหร่นะครับเหมือนกาลังใจในการเรียนต่อเอกมันก็ห ม, หมดหมดลงไปด้วยตัวเนื้อ ง, งานด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยใจเราที่มันเหมือนมันไม่อยากเอาอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีแก้ยังไงเราอยู่ทางโลกแล้วก็ทําทํ า, ทาได้พร้อมกันนะครับอ๋อคือตอนนี้เราก็ต้องพยายามทํางานที่เรากำลังทําอยู่ในหน้สำเร็จครับอย่าทำแบบข้างคร้างอย่าทำแบบเปลี่ยนใจ เมื่อเราตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้มันสำเร็จอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติทำไปในตัวต้องต้องมีความแน่วแน่แต่อความตั้งใจของเราไม่เียวมาปฏิบัติทำเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนใจได้อีกเนีงั้นตอนนี้เรามีงานที่ต้องทำก็ทำให้มันสำเร็จันสำเร็จแล้วเราจะไปใช้มันหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเราก็มามาม า, มาพิจารณาหม่ยว่าจะเอาทางไหนดีถ้าเราไม่อยากจะเอาทางโลกเราก็าจะ ทำงทั้งโลกให้น้อยลงไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องไปดิน้นรนหาเงินหาทองให้มากพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้แล้วจะได้มีเวลาว่างมาศึกษาทำปฏิบัติธรรมได้มากขึก้นก็ได้แต่ตอนนี้ต้องเรื่ อ, อ, อยากที่งานที่เราทําอยู่ในน่าจะใกล้แล้วจะหดแล้วปีเดียวใช่ไหมก็จะเสร็จแล้วก็จริงๆเหลือไม่ถึงปีครับแต่พอมาติดเรื่องโควิดปิดเรื่องอะไรด้วยแล้ ว, ลวก็อาจจะอาจจะต้องอยู่เพิ่อมอีก ประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทํามันให้มันเสร็จรใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะถึงฝั่งแล้วเวลาเวลาที่ที่ทุบเทมาหมดไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเราทิ้งมตอนไปอ้าวนะงั้นเรารทำอะไรแล้วต้องทําให้มันสาเร็จงั้นจะจิตใจเราจะหล่อแหละเดี๋ยวเปลี่ยนใจเรื่อยเดี๋ยวมาห่วยก็เดี๋ยวทําได้ครึ่งทางก็เบื่ อ, อแล้วอยากจะกลับไปกลับไปทำมาทำเล่ออีกแล้วค่ะ ครับเอาแล้วมันแน่นแน่นะตอนนี้อย่าไปกังวลในเรื่องทำตอนนี้ทําเรื่องทางโลกก่อนทางทารปริญญาบก่อนเรียนจบแล้วค่อยมาว่ากันหมายว่าจะเอาอะไรถามใจตัวเองอยู่อีกทีครับพมือที่มันดบ่อหนานการเรียนมันก็เลยงอแงก็ได้ครับผมขอบคุณครับอาจารย์เยนนะเราเราเยาอ่อนไว้เราหย่อนแน่นนะข้างหน้าที่ของเรา คจะได้สําเร็จอธิบารสีต้องมีฉนานทะความยินดีในการทาํางานการเรียนของเราวิทยะความขยันหมั่นเพียรในการเรียนจิตตะใจเราต้องจดจ่อยอยู่กับเรื่องการเรียนเป็นหลักริมรัมงสาก็ใค่ควรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะมันจะได้สําเร็จรูปโรงในงานที่เราทำอยู่ครับผมขอบคุณครับอาจารย์โอเคมีอะไรไหม ไม่มีแล้วครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับท่านต่อไปนะคุณเปียคุณเปียอยู่ที่ไหนถึงมหกรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะเอาหน้าเจริญเจ้าค่ะพระอาจารย์เมคืนนี้ก็เข้ามาในภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะาภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยทําอะไรเหรอขอบพระคุณค่ะอพื้นฐานเรียนวิศวกรรมค่ะแล้วก็ ตอนนี้กลับมาดูแลคุณแม่ที่บ้านค่ะแม่ที่ต่างจังหวัดเพราะว่าแม่ไม่สบายค่ะก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนกันตัวเองก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงด้วยค่ะก็มาสอนพิเศษเด็กๆที่บ้านค่ะต่างจังหวัดค่ะไปเรียนด้วยภาษาภางาฤษที่ไหนมาหือเปล่าทำงานแรก ทำงานที่บริษัทของอเมริกันค่ะไปไปอยู่ที่มาเลเซียกับอเมริกาสักหลายหลายปีค่ะพ่อจาาเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ยอมหน้าจเจริญดูแลคุณแม่ค่ะเนี่ยคนที่เมื่อกี้เขาว่นเรื่งดูแลพ่อแม่เนี่ยเราก็เอาทับตัวอย่างให้เขาดูเนี่ยเร่งพ่อเร่งแม่ที่มีความสุขมากจะตายไปใช่ไหม ไปสนใจถ้าพี่น้องคนอื่นก็ไม่ได้ดูแลก็ถือว่าเราได้กําไรเราได้แย่งทําทําบุญของเราคนอื่นไม่อยากจะทำก็เรื่องของเขาใช่ไหะแต่โชคดีของเปียคือพี่น้องเราก็ช่วยกันดีค่ะก็ก็สบายหน่อยถือว่าแบ่งแบ่งเบากันค่ะอืก็ดีแสดงว่าเป็นคนดีทั้งครอบครัวดีจิตสำนึกที่ดีต่อวิญญามานดะ ตอนนี้แม่ก็ฟังอยู่ด้วยค่ะภาษาไทยแม่ก็ฟังอยู่ด้วยค่ะแต่ภาษาอังกฤษแม่ก็ฟังแต่หลับค่ะมั <c oughs> นนี้มีรายถาไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคให้มีอะไรตไปที่ท่านต่อไปนะขอบพระคุณค่ะคุณพากรคุณภากรได้ยินไหมเปิดไม้หน่อยอันมิ้วมาแล้วอยู่ที่ไหนคุณพากรทัฟนะมัตกะครับจะจะถามว่า ทำสมาธิมาเจออาการอยู่สองอาการนะครับก็อาการหนึ่งคือตอนตอนจิตตอนจิตสงบแล้วก็กายหายกับอีกอีกอาการหนึ่งนี่คือรู้สึกตัวตลอดลมหายใจเบ า, ออาครับได้ได้สองอย่างได้สองอย่างแล้วแต่แล้วแล้วเราเจริญเจริญเริญปัญญาตอนไหนครับตอนที่ออกจากสมาธิก่อน อ๋อเราไม่เราไม่ต้องสมมุติว่าเรารู้สึกตัวตอนรู้สึกตัวทั่วเลยแล้วเราเจริญอัญญาตรงนั้นต่อได้ไหมครับให้มันเนิ่งไว้ก่อนดีกว่านั่งสมาธิเพื่อมันเนิ่งนั้นๆให้มันเฉยนานๆแล้วแล้วสมมุติว่านอนภาวนาแล้วมีจิตออกไปเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมครับมันไปทำอะไรได้ไหมครับก็ภาวนาไม่ต้องการให้จิตมันออกพะภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในนานๆภาวนาอยู่แล้วให้มันสงบให้มันสงบอย่าปล่อยมันออกไป อันนั้นไม่ม่ตั้งใจคือนอนหลับแล้วจิตจิตออกเองนะครับอ๋อถ้ามันหลับแล้วออกเองก็ช่วยไม่ได้มันไม่มีสติควบคุมไม่หรือไม่ไอตรงเนี้ออกไปก็ทําประโยชน์อะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ทําอะไรไม่ได้มันก็เมืฝันอ่ะมันก็เหมือนนอนหลับฝันไปอ๋อครับนอนหลับคือทําอะไรไม่ได้ตอนนอนหลับก็ต้องปล่อยให้มันไปตามบุญตามบาปําที่เราทําไว้อ๋อคือจุดจุดใหญ่ก็คือ เจริ์มัญญาดีกว่าเจริ์มัญญาก็ต้องตื่นต้องไม่ไม่หลับแล้วก็ต้องเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิครับก็ภาวนาก็เห็นบางทีเห็นจิตจิตออกวิ่งออกไปจับใจเราเนะ่ยออกไปฟังได้อ่าออกไปฟังเสียงข้างนอกได้อะไรเงี้ยเคยเคยมีจับความรู้สึกตรงนั้นได้ครับอย่าไปอย่าไปสนใจดีกว่าถ้าภาวนาะต้องการให้ดึงจิตมันไม่ได้หลับดูยืนยืนยืนลรือ ทำสมาธิอยู่แล้วมีเสียงมันดังแล้วเห็นจิตมันวิ่งออกไปไปหาเสียงได้หาเสียงนะครับเอ่ไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับไประโยชน์ให้มันอ ย, อ, อยู่กับตัวดีกว่าให้จิตอยู่กับตัวให้มีสตใิให้มันให้มันนิง่งให้มันไม่คิดไม่ทําอะไรดีกว่าให้มันรู้เฉยๆดีกว่าอ๋อครับก็คือถ้าคิดคิดได้กับพิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไปอันนี้จำไม่เที่ยง S <S เกิดแล้วก็ดับกายทุกขยได้ครับก็หมดคำถามครับมีมีตรงเนี้ยแหละครับที่ว่า <S 2> <S 2> <S <S คือได้ได้แต่นิ่งอยู่ทุกวันแต่ยังไม่ได้เจริญปัญญาเลยครับ <S 2> <S 2> รยังเจ ร, ริญปัญญาไม่ตอกจากสมาธิพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินาน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองเนี่ยให้เจริญปัญญาแบบนี้เลาเราคิดได้ทั่วไปเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องเจากจงจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าสมมุติว่าดูผมให้ให้ให้ดูร่างกาย ให้รู้ว่าไมดูที่มันไม่ไปเลยดเกิดแล้เดี๋ยวท้องแก่ต้องเจ็บท้องตายเราจะดูอาการสาสีสองก็ดูทั้งสาสีสองอาการก่อนก็ได้ศึกษาดูว่าร่างกายมีอะไรบ้างไม่ตอนนี้จะไม่ปรุงใช่ไหมครับูถึงถ้าออกอะถ้าถ้าถ้ามาทางปัญญาไม่ปรุงถ้าอยู่กับร่างกายไม่พรุงอ๋อได้ครับนหมดคําถามแล้วครับโอเคช้าคุณจะอยู่ที่ไหนนะโอเคลืมถามอปิดวันไปแล้ว ออไม่เป็นไรคุณแอมแอมว่าไงหายไปหลายวันไม่เจอกันเลยสวัสดีค่ะน้มมาสักการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สดีหรือยังคะใช่ค่ะายดีแล้วค่ะก็เสียงแต่เสียงเหมือนยังไม่ร้อมเปอร์เซ็นนะคะพระอาจารย์เก้าิบเก้าจุดเก้าปซนค่ะแอมบุ่บุค่ะก็เลยไม่ได้ค่อยเข้ามา แต่ว่าพอดีแม่ไลน์มาบอกว่าพระอาจารย์ซูมก็เลยรีบเข้ามาหนูกําลังคิดถึงพระอาจารย์อยู่พอดีเลยเพราะว่าวันนี้มีเรื่องเครียดๆจากที่ทํางานพอเห็นพระอาจารย์ฟังที่พระอาจารย์เทศแล้วก็สบายใจโล่งใจแล้วคะ่ะได้ธรรมะแล้วคะ่ะวันนั้นเป็นอดีไปแล้วที่ทํางานอย่าไปคิดถึงมันกลับมาบ้านก็อยู่ในปัจจุบันนะค่ะหนึ่งจิตให้อยู่ปัจจุบันให้มันหยุดคิดดีกว่าพุดโธพุดโทรไปดีกว่าค่ะ แล้วกลับไปที่เวลาพายกลับไปที่ทำงานแล้วก็ไปเทรียดใหม่ค่ะนี่อยู่บ้าน้วก็อย่าไปเทรียดกับันค่ะสบัยดีนะดีค่ะก็เพิ่งได้ปรับตําแหน่งกับปรับเงินเดือนด้วยค่ะแต่ก็มาพร้อมหน้าที่การงานที่หนักมากเลยก็ต้องเตือนตัวเองว่ามันไม่เที่ยงอะไรไม่ขึ้นไม่ลงได้นะค่ะขึ้นก็ขึ้นเดี๋ยวเวลาลงก็ต้องเตรีมลงนะ จะน่าไม่ลง <c oughs> มันจะโลกเดี๋ยวขึ้นแล้วอยากจะขึ้นอีกเ <c oughs> พราะไม่ได้ขึ้นจะเสียใจอีก <c oughs> ่ <c oughs> ยินดีตามมีตามเกิดไปะ <c oughs> ข, ขึ้นก็ได้ลงก็ได้ <c oughs> เรามีหน้าที่ทําหน้าที่ของเราก็ทําให้ดีที่สุดก็แล้วกัน <c oughs> อย่าไปหลงระเริองอย่าไปคิดว่าเราเก่งอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพอ พอพอไม่ได้ขึ้นแล้วพอจบเรื่อง้องก็จะมาเสียใจ่าคิดแล้วไม่เก่งแล้วสิค่ะครัอบอาจารย์รยมีอะไรจะถามไหมอืมตอนนี้ถ้ามีอาจจะเป็นเรื่องของของย่ามากกว่าค่ะตอนนี้คือแม่แม่หนูอ่ะดูแลย่าด้วยคือย่ามาอยู่ด้วยค่ะช่วงเนี้ยแล้วคือท่านแก่มากแล้วแต่ท่านอ่ะหลง คือจริงๆอ่ะเวลาถ้าเราอยู่ด้วยคุยด้วยอ่ะท่านเหมือนไม่หลงแต่เวลาที่เราทําอะไรหรือแม่วุ่นๆอย่างเงี้ยท่านก็จะมีเรื่องมาทําให้ให้ให้ให้แม่เขาปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบว่าแม่อย่าไปถือสาเลยบอกแม่บแมบคนแก่อย่างนั้นเด็กอ่ะยังเด็ก<ช><ช>อย่าไปถือสาอ่ะแกอย่าทําอะไรก็ทําไปปล่อยก็ไป คอยเลี้ยงคอยเี้ยงแกคอยดูแลไม่ให้แกทําไอ้แกเจ็บก็เลิกกันส่วนแกอยากจะทําอะไรก็เรื่องเป็นภาษาเด็กไปค่ะอย่าไปําหนดว่าเขาต้องเป็นเหมือนเราไม่เหมือนแล้วล่ะเขาไปเหมือนเด็กแลใช่ไหมคะอืมค่ะยิ่งแกก็ยิ่งกลับไปเป็นเหมือนเด็กใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็จะไม่รู้อะไรแล้วเนาะสนิก็จะไม่ค่อยมีแล้วทีนี้ก็จะทําตามอารมณ์ไปค่ะ ยังก็ต้องสงสารแกอย่าอย่าไปอย่าไปกําหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ทําไม่ได้แล้วคนคนแกน่คิดว่ากำลังเลี้ยงเด็กดีกว่าวจะสบายใจค่ะหนูหนูแค่สับสนเพราะว่าเหมือนถ้าหนาะบวชชีมานานมากนานแบบไปอยู่วัดอยู่เขาเป็นเวลานานแล้วแต่มันไม่ใช่ว่า บวชแล้วจะจะได้เชื่อไหมคะมพอถึงเวลา บ, บางคนบวชแบบทับพีในหม้อแกงเค่ะทับเพีอยู่ในหม้อแกงกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้รสของแกงใช่ค่ะยังไม่ใช่บวชแล้วจะดีทุกคนที่ไหนยังก็เป็นาพลงยังเหมือนลเลยบวชกันอืมใช่คะนน่ะอาจารย์เนาะมันไม่ง่ายนเนาะ<ช>ค่ะใช่ค่ะอาจารย์โอเคนะมีอะไรไหมคะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณค่ะ คุณสุภาธนาต่อเลยคุณสุภาธนาอยู่บอวินใช่ไหมนวส ก, การ์คร่ะพระา อ, อาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์ไลฟ์ไม่ได้เข้ามาค่ะปฏิติตงานวันนี้ก็รอมาตั้งแต่วันจันทร์นะคะพระอาจารย์แต่รู้ว่าวันจันทร์เป็นวันพระพระอาจารย์คงไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มาเทศะคะ่ะได้ต้องเป็นวันที่ว่างอย่างงั้นทั้งวนันทั้งกลานวันทัางคืนไม่หวเลย วันนี้ยังคิดว่าเอ๊ะพระอาจารคงไปไหลแล้วพอเปิดดูแล้วไม่มีแต่เห็นวางพอดีคะ่ะ <Okay. S 2> ก็แต่เรียนให้พระอาจารย์ทราบว่าที่ฟังธรรมะพระอาจารย์มาทุกวนันทุกวนันแล้วก็มีมันเหมือนกับว่าพอจะได้ทราบว่าอาจารย์บอกว่าต้องถือศีลขั้นต่ําคือศีลห้าก็คือพยายามพยายามถือศีลให้ได้ให้ได้ทุก mm. ทุกๆ เ, เหมือนกับตลอดวันอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งเวลาเราทํางานอยู่ในส่วนของ งานขายอาจจะต้องมีพูดไม่จริงกับลูกค้าบ้างหรืออาจจะดุลูกน้องบ้างอะไรอย่างนี้นี่ก็คือพอเราพอเราเหมือนกับผิดเสียงข้อสี่ไปแล้วเราตั้งใจใหม่โดยไม่ต้องสมาทานก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ไม่ต้องสมาทานสมาทานน้อเดียวก็พอค่ะแต่เราก็คือเราตั้งใจว่าเราจะทำเหมือนกั บ, บพอเราลบเก็ลบขึ้นมาใหม่ถ้าลบก็ลบขึ้นมาใหม่แก้ไขไปค่ะ<ป> แล้วตอนนี้ก็คือย่างที่พระอาจารย์เทศว่าให้ให้หยุดความอยากก็พยายามหยุดแม้แต่อยู่ในงานบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ให้มันมากเกินไปในในในบางสิ่งแล้วก็ไม่เอาเปรียบผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันดี่พ ย, ยายามทำอย่าไปกดดันคนอื่นมากเกินไปค่ะเี่ก็เบียดเบียนเขาค่ะค่ะอันนี้ก็คือทาทา ไม่คือไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ให้เสียงานแต่ไม่ก<ล>็คือทําตามหน้าที่ของเราอันนี้ถูก <ฮะ S 1> ถูกอยู่นะคะอาจะ ม, มีความเมตตาบ้าง <ฮะ S 2> ค่ะเมตตาเมตตาบ้างค <ฮะ S 2> ่ะไหนพอจะเอารูปมาหลวยได้ก็เอารูปมารวยกันดีกว่าค <ฮะ S 2> ่ะแต่ในบางอย่างที่ว่าเวลาลูกน้องเราทําผิดเราก็ต้องเตือนนะคะพระอาจารย์ได้เตือนได้แต่ต้องอย่ามีอารมณ์กับเวลาที่เราเตือนค่ะถ้าเราโกรธอย่าเพิ่งไปเตือนรอให้หายโกรธแล้วค่อยไปเตือนพูดดีๆค่ะค่ะ กันเนี่ก็พยายาม เ, เมื่อกี้โยมที่ที่พระอาจารย์เทศพบอกว่าให้แบ่งเวลาในการภาวนาคือตอนนี้ไม่ได้นั่งสมาธิแต่ก็คือพยายามรักษาอารมณ์ตัวเองดูอารมณ์ตัวเองอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้นั่งสมาธิก็คอยควบคุมความคิดคอยควบคุมอารมณ์ไปก่อนนะค่ก็คือ ถ้าจะคิดไปในในเรื่องที่ไม่จําเป็นก็พยายามไม่คิดอันนี้ได้ใช่ใชไหมคะอาจารย์ได้อยู่เป็นพุโทโธพุโทโธยังกลัมาค่ะ<า>คิดแต่เรื่องที่ต้องคิดท่านเรื่องที่ไม่ต้องคิดอย่าไปคิดให้เสียเวลาค<า>่ะเมื่อกี้เมื่อกีก้พระอาจารย์เทศเทศสอนโยมท่านท่านที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ว่าให้แบ่งเวลาภาวนาเดี๋ยวโยมก็จะพยายามแบ่งเวลาภาวนาให้มากขึ้นแล้วแล้วต้องจัดเวลาถ้าไม่จัดมันก็ไม่มันก็จะไม่ได้ทําำนะคะ <Okay S 2> ข, อ, <na. S 2> ข อ, อบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์คุณวิทูลคุณวิทูลอยู่ที่ไหนเปิดไมคก่อนกดปุ่มอนมิวฮะตรงกลางหน้าจอนะฮะนมันสกัดพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่เชียงใหม่ครับพระอาจารย์เคยบวชเป็นเนนแล้ว อยู่ที่วัดยันแล้วก็ได้รับใช้พระอาจารย์อยู่ช่วงหนึ่งครับเออจำไม่ได้ชื่อวิทูนนะชื่อวิทูนจินดาสถานเมื่อพศ2531ครับพระอาจารย์2 1เครับตอนนั้นผมอายุประมาณ 15-16 นะครับบวชได้นานัหยบวชได้1ึ่3พระอาจารย์จนจบนักธรรมโทสมัยอพระอาจารย์หลวงปู่ทองยังอยู่ใช่ไหม ใช่ครับอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับงพุทองรอะก็ดีใจมากครับที่พระอาจารย์ไลฟ์สดติดตามพระอาจารย์มาเกือบหกเจ็ดปีแล้วมั้งครับออรลแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ซูมมาอ่าผมพระาอาจารย์นะตอนนี้ก็ได้เห็นพระอาจารย์ แสดงธรรมแล้วก็ตอบคำถามกับญาติโยมแล้วก็ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีอี ก, อกมีสักคำถามนึงนะครับก็ถามั น, นี้ก็คือทำงานหนักมากครับอาจารย์ในส่ผมในรับราชการนะฮะงานหนักก็เลยบางทีก็ได้รับกิจอางานมาเยอะแล้วก็เราก็ถือว่า เราจะเลื่อนอยตามพระพุทธเจ้าว่าหนักเท่าไหร่เราไม่ไ ม, ไม่กังวลนะแต่ว่าก็ก็มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ไม่มีสติปัญญาที่จะบอกอบอกผู้บริหารอะไรประมาณนี้พอาจารย์ว่าเราจะต้องทำอย่างไรดีพระอาจารย์ครับเพราะว่ า, วางานก็จะเป็นดุลพินิษซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็ การตัดสินใจและคือคหรือความเห็นของเราเนี่ยกระทบกับาการดําเนินการในด้านกฎหมายต่างๆก็เลยผิดพลาดไม่ได้ก็เลยต้องอโฮมรงใช้วิธีพักผ่อนไม่เพียงพอครับพ่อจนันก็งานก็บางทีก็หยุดเลยเพราะว่าถ้าเราออกไปเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ดีก็จะเป็นวิบากของเราอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนี้นะครับพร่อจนันก็เลยต้องหยุด หยุดก็ก็จะมีงานทั้งงานงานต่อไปงานปัจจุบันและงานที่ยังต้องทําให้ก็เลยขอพระอาจารย์เมตตาก็ทําได้เราทําได้ะรบบแบกของแบกก็แบบขอทงทที่เราแบกได้แบกเกินกําลังแล้วหลังหักนปอ๋ อ, อครับพระอาจารย์ครับแล้วที่เราทําได้แล้วก็จะไม่พอใจก็ช่วยไม่ได้ ประชาชนาไม่พอใจบกผมว่าทำได้แ้่นี้เดือครับส่วนมากส่วนมากก็เป็นงานที่กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่แล้วเขาอาจจะเสียประโยชน์กลุ่มหนึงง่งอาจจะไปเสิคนเป็นล้านเนี่ยเราเราคนเดียวเราจะไปรับใช้คนเป็นล้านได้ไหเรามตามกำลังของเราไปก็คือถ้าผม เข้าใจก็คือทำเท่าที่ทำได้ตามที่อาจารย์บอก mm hmm. ครับแล้วก็งานก็คงจะเป็นวิบากของอหลายหลายคนนะฮะแต่ว่าที mm ่ hmm. ผมใช้วิธีการว่าถ้าผมทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะหยุดความเห็นการแสดงความเห็นนะฮะ เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับกลุ่มที่เสียประโยชน์หรือกลุ่มที่ได้ประโยชน์ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็แล้วก็กฎหมายก็ไม่ไม่ไม่ใช่คุณธรรม น, นะฮะซึ่งอยู่ในระบบมาผมอยู่ในระบบมาเกือบยี่สิบปีก็เลยพอจะทราบว่าเอ้ยไม่ใช่ทางที่ถูกนะมันเป็นระบบที่ระบบรายการก็เป็นระบบที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ บางทีก็ทำให้เราสุกคิดขึ้นมาว่าเอ้เราเดินทางธรรมอ่ะน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำแต่เพียงแต่ว่าน่าปัจจุบันเนี่ยมีครอบครัวนะฮะมีลูกที่จะต้องดูแลก็เลยยังเข้าสู่ทางธรรมไม่ได้พระอาจารย์ก็ทำเท่าที่เราทำได้ที่บอก ร, บรักษาศีลไปก่อนทำบุญทำทานไปก่อนครับแต่ผมรักษาศีลครบห้าหมกห้า ข้อครับทุกวันทุกนะครับถ <Okay. S 1> แปนรักษาได้วันพระนะฮะสามปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ไม่ได้เริ่มเพราะว่างานหนักมากนะครับก <Okay S 1> นะ็เลยโอเคเราเท่านี้ก่อนนะมีอะไรไมไม่มีนะขอบขอบขอบคุณครับอาจารย์ครับใ <Okay. S 1> นที่คุณออี์ดี้คุณอรณอรดี้จากนาเกล่อ <c oughs> อาจารย์ค่ะพระอาจารย์อ่าวันดีจารเป็นยังไงสบายดีหรอือสบายดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดค่ะวันจ่าค่ะไปฟังธรรมที่วัดกับพระอาจารย์มีอะไรจะพูดไหมวันนี้ช่วงนี้รู้สึกหลายวันไม่ได้ไปวัดจิตฟุ้งหน่อยหอยแต่ว่าไม่เป็นไรพอเวลาหนูฟุ้งหนูก็มานั่งเปิดคลิปเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ดูธรรมะพระอาจารย์ก็มีกําลังใจเหมือนเดิม ใช้พูดโทรดูบ้ากมกได้ไม่ต้องใช<ค>้พูดโทรค่ะแต่เพียงแต่ว่าบางทีเหมือนบางทีเราฟุง้งเราคิดเรื่องมันทําให้จิตเรารู้สึกว่าเศร้าหมองอ่ะค่ะพอะมันเศร้าหมองเหมือนเราไม่มีกําลังใจหนูก็เลยเปิดเพราะว่าหนูจะแชร์เฟซบุ๊กของพระอาจารย์เป็นคําเป็นประโยคสั้นๆแต่ว่ามันมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่ในเฟซบุ๊กของห น, หนูก็เลยเปิดดูย้อนหลังพอเวลาดูแล้วมันก็รู้สึกว่ามีกําลังใจเหมือนได้ฟังพระอาจารย์พูดอีกรอบมันึ่โอเคดีใช้ได้ได ใจ อ, อยู่ห่างทำนะถ้ามใจไม่ดีแล้วต้องเร่งต้องห่างทำใช่ค่ะใช่ใช่ต้องต้องระลึกตลอดเวลาเพอห่างห่างแ ล, ล้วรู้สึกจิตเดี๋ยวจิตตกมันจะกลายเป็นเรื่องเศร้าหมองธรรมปัญญาธรรมปัญญารักษาจิตใจธรรมโอสถใช่ค่ะโอเคที่สุดเลยค่ะที่สุดของที่สุดเลยค่ะอืดีลดห่างทำจะน่าลดทั้งปวงจัดเลยค่ะ <c oughs> ทุกวันนี้ไม่ค่อยทุกข์เลยค่ะอ่ยดี เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปวัดค่นะไปการาบพระอาจารย์นะคะหนูมไม่มีคําถามค่ะฟัง <Okay. S 2> เข้ามาฟังด้วยกันนะยังนะขอไปที่ท่านต่อไปคุณเอกจากเชียงรายท่านผู้เด็กกราบมรกสการพระอาจารย์ครับผมอจากเชียงรายครับอเชียงรายครับผมเป็นยังไงสบายดีหร้อสบายดีครับพระอาจารย์ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนไว้อะครับก็ตอนเช้าก็ดื่น ก็ตื่นมาเดินจงกรมครับพระอาจารย์มีอยู่วันหนึ่งครับพระอาจารย์ตื่นมาตอนเช้าใจมันมันกลัวครับเพราะว่าเดินยงกรมผมต้องอต้องเดินลงไปเดินข้างล่างครับบ้านเป็นบ้านสองชั้นครับใจมันมันบอกว่าเฮ้ยกลัวกลัวแบบมันกลัวขึ้นมาแต่ใจอีกใจหนุ่งก็ถามนะครับว่ากลัวต้องตายไหมใจก็ตอบว่ากลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายอืมแล้วก็บอกว่ากลัวทวําไมผมก็ เดินลงไปเดินจงกรมก็ปฏิบัติผมถหายกลัวกถ้ากลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายแล้วจะกลัวทําไมใจก็บอกงี้ผมว่าโอเคผมก็เดินลงไปเดินไปก็ก็เดินจงกรมไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็นั่งสมาธิหนึ Viking ่งชั่วโมงครับพอาจารย์เสร็จแล้วเอมีวันนี้วันวันพุธวันจันทร์ครับอาจารย์วันวันจันทร์นั่งเอตื่นมาก็สลับกันก็คืน นั่งสมาธิก่อนนั่งนลงไปพระอาจารย์เสร็จแล้วมันรู้สึกว่าตัวมันจะหนักหนักที่ตูดครับพระอาจารย์เสร็จแล้วมันก็เริ่มที่จะเบาขึ้นมาเบาขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็ดูมันมันก็นิ่งจิตมันก็อยู่อยู่ตรงพุโทโธพุโทโธไปครับพระอาจารย์ตรงนี้เป็นสมาธิใช่ไหมครับพระอาจารย์ยังเหรอยังยังไม่ยังไม่ถึงยังยังไม่ลึกรครับถ้ายังพุทโธได้อ ย, ย่ยั ง, ย, ง, ย, งยังไม่ครับผม บางที่ผมก็ปล่อยพูโทโธไปดูลมไปดูดูลมไปปล่อยไปงเงี้ยค เ, เอาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ๋อครับผมดูลมก็ดูลมไปพูโทโธก็พูโทโธไปอ๋อครับครับครับยังยังไม่ถึงต้องลึกกว่านี้อีกใช่ไหมครับรอาจารย์ต้องอยู่ต้องอยู่อย่างเดียวต้องพูโทโธอย่างเดียวแล้วดูลมอย่างเดียวแล้วมันจะมันจะนิ่งกว่านีนอ๋อต้องนิ่งกว่านี้อีกนะครับอืถ้ามันเล่นเต็มทุกอย่างว่างหมายไปหมด โอ้ครับครับให้มันว่างไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากพูด<ม>โชไดก็พโดโชไปถ้าใช้พุดโชถ้าดูลมได้ก็ดูลมไปครับผมครับผมโอ้ครับผมแล้วแล้วพระอาจารย์ผมอยากขอพระอาจารย์เมตตาคือเ อ, อะอาจารย์<ม>อธิบายที่ว่าบ้านของบ้านของใจอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันคือความว่างใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับก็คือความสงบสมาธิคือบ้านที่อยู่ของใจ อ๋อครับผมครับผมตาทุกครับโอ้ค่ะนัความาธิเพื่อกับเข้าบ้านเนี่ยเราเข้าบ้านแล้วเราก็ปลอดภัยความทุกข์ต่างๆก็ไม่เข้ามาในใจได้ครับผมพอเราออกจากบ้านนะเอาจากสมาธิมาที่ตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็ไปรับทุกขเข้ามาทันทีโ๋อครับผมตาทุกครับอาจารย์นี้ผมก็ใกล้ใกล้จะถึงทางที่จะหาทางเข้าบ้านเจอแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใกล้แล้วล่ะมีประตูเราไม่สนใจแล้ว มสตินะครับผมใช้สติไปเรื่อยๆนะพุทโธไปเรื่อยดูลงอยากคิดครับผมไม่อยู่ความคิดนะครับผมกับสาธุครับกับขอบคุณพระอาจารย์พระบทคําถามพระอาจารย์พระอาจารย์มีอะไรที่จะให้ผมเอสติดไปเรื่อยสติติไปเรื่อยใช่ครับไม่ว่าจะทําอะไรให้มีสติอยู่กับตัวอย่าปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับผมแล้วก็เวลาเดินจงกรมก็พิจารณาการสารทิศสองไปนะครับ ก็ได้ไม่มีสติอยู่กับเท้าเดินก็ได้ไม่คิดก็ได้อ๋อครับอยู่กับเท้ายกหนอย่าหนอเหยียบหนออะไรไปนะครับใช่กว่าใช่กว่าไปก็ได้ไม่ต้องครับครับผมยงคิดอครับผมน้องปฏิบัติสองก็ได้คิดตามน้อบสองก็ได้คิดว่าเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วไปกลัวอะไรอย่างที่เมื่อกินบอกตัวเองครับใช่ครับครับยังไงมันก็ตายครับอือครับอื ครับผมน้องปฏิบัตินะครับพระอาจารย์ครับสาธุครับพระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผมสาบน้ธมครับคุณนัฐกรเชิญคุณนัฐกรอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์ค่ะมีอะไรจะถามไหมอยากสอบถามพระอาจารย์คือว่าช่วงนี้จะเจอคนที่เข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะมากเราก็เลยอยากรู้ว่าคืออาจจะเป็นคนมองออก คนออกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยากรู้ว่าใครที่เข้ามาใ น, ในลักษณะของความเป็นกาลยานมิตรแล้วก็ใครเข้ามาที่เป็นลักษณะของคนพานที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะพระอาจารย์ค่ะเราก็ต้องดูพฤติกรรมของเขาดูหน้าตาเฉยๆไม่รู้หรอกเพราะหน้าตามันหลอกได้สมัยนี้มันมีเสริมความงามสัญญกรรมในตกแต่งกันเยอะแยะงั้นต้องราดูพฤติกรรมคำโบราณก็บอกว่า ระยะทางไปเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนเห็นเราใช้เวลาดูก็ไปก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าโน้ดีหรือชั่วให้ให้ดูให้รอให้ภาพมันค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นมา ก, ก่อนเห็ <c oughs> นตอนต้นตก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจจ <c oughs> แต่โอนใจตายไม่ใช่ค่ะจะเย็นๆไม่ต้องไปเดี๋ยวรู้เองเดี๋ยวถ้าแท้ก็ออกมาคนเรา แล้วแจ่มใหม่ๆก็ขอาขีงดีๆออกมาโชว์กันใช่ห้หย <Yeah. S 2> ดีให้กันอะไรกัน mm hmm. ต้องไปดันดูตอนที่เวลาอมีเรื่องมีราวแล้วดูซิว่าจะแสดงการอะไรออกมาเราขัดใจก็ดูก็ได้แล้วดูซิว่าเขาจะเขาจะเป็นยังไงเรา uh huh. แ, แกล้งทําให้เขา โ, ขโกรธ ด, ดู่ดูซิว่เาเจะ mm hmm. ขัดใจเขาไม่ตามใจเขาบ้างยังไงค่ะ huh. mm hmm. ก็จะมีอาการอะไรหรือไม่แต่ถ้าเราทดสอบเขาไม่ได้ก็เฉยๆไปปล่อยดูเท้าดูไปเฉยๆก็ได้ค่ะดูไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็เห็นเองอ่ะของเรากขอบพระนะคุณอาจารย์ค่ะมีทั้นี้เหรอมีอันนี้ค่ะมองคนไม่ค่อยออกค่ะเลยต้องมาถามค่ะโอเคนะเพราะฉนะนั้นอย่ไปดูที่คิ้วอย่าไปดูที่จมูกที่ฟันนะ้นอันนั้นเหมือนไม่ได้เป็นตัววาดคนนะ ต้งดูพฤติกรรมการพูดการกระทำของเขามีสัจจะหรือบ่าหรือพูดปิ้นป้อนไม่แมน่นอนพูดอย่างทําอย่างอะไรอย่างนี้ก็เริ่มสงสัยว่าไม่ไม่ไม่เข้าท่าแล้วพูดไม่ตร ง, ตงกับสิ่งที่เป็นพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราสับสนพูดอย่างหนึงทําอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าก็พูดอย่างเขาเองก็แสดงก็ไม่มีสัจจะสัจจะเขารเริ่มหลอกลวงเราแล้ว พูดอย่างนี้สัญญาอย่างนี้พอถึงเวลาไม่ทำว่าอ้างนู่นอางนี่เพราะติดนู่นติดนี่อย่างนี้ก็เริ่มเริ่มสงสัยเริ่มรง้อะไรกันแล้วท่าจะไม่ดีแล้วแต่ถ้าเขาพูดอย่างไงแล้วก็ทํำอย่างนั้นเออคนไม่ไว้ใจใช่ไหมโอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวไปท่านต่อท่านต่อไปก่อนงั้นละกันคุณทาถ้าเาเดี๋ยวค่ว่ากัน อ iPhone เอ๋คุณเอ๋หมอเอ๋ได้ยินไหมอเอเชิญอนุิวไมโครโฟนก่อนหอเอ i o n e เแอดมินช่วยกดอนุิวก่อนละครับเชิญคุณหมอขอบคุณอาจาครัอ่ามีอะไรไหมอนนี้โอ้โอ้เครียาจนหนูป่วยกายเลยทุกคน คุณแต่บดังอีหน่อยไม่ค่อยได้ยินค่ะพระอาจารย์ที่หลวพ่อที่ไม่เจ้าค่ะเพี้ยนมากจดป่วยทางด้านร่างกายเลยเจ้าค่ะเพียนเรื่องเรื่องที่พระอาจารย์เมตตารอบที่แล้วเจ้าค่ะอ๋ก็ตอนนี้คือมาพิจารณาแล้วเจ้าค่ะว่าการที่เราไม่ยุ่งกับชาวบ้านเขาเนี่ยน่าจะปฏิบัติทําง่ายกว่ามากเลยเจ้าค่ะอ น้อยที่สุดเท่ีจเปราต้องทํางานเจ้าค่ะทํางานเสร็จเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่ที่ชอบไม่ชอบอะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเรามันปัญหาของเราก็คือว่าเราอ่ะตัดออกจากจับใจได้ยากเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิมันจะมีภาพเข้ามาทําให้เรานั่งสมาธิยากเจ้าค่ะอย่างเนี้ยเราจะต้องทอําเนี่ยก<ข>็ถ้ายังดูเราไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนดูการสามสิสองไปก่อน เอามาการฐานสองไปผมขงและปันหนังเนื้ออินเลดเทียเท่ยวมีเสลดมากหัวใจตับคคทั้งเคยใจปลอดใต้ใหญ่ใต้นอนเอาไปก็ประการฐานทอแล้วต้องย้อนหลังกลับไปกลับมาให้ใจเราสงบกอ่อนภา พ, า, า, พาพต่างๆําก็ใจเราไปคิดถึงภาพต่างๆสร้างภาพต่างๆขึ้นมาเองแล้วพอพอพอเครียดมากๆมันหนูว่าจะมีมีโรคหัวใจอยู่แล้วเจ้าค่ะ พอเครียดมากมันจะเจ็บเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกปุ๊บเนี่ยพอเราหายใจเราก็จะหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเจ้าค่ะพอ<ม>หายใจไม่สะดวกก็ดูลมยากเจ้าค่ะก็เลย<ม>เอ๊มาคิดว่าอ้าวถ้าเราจะตายตอนนี้เราจะจะจะจ ะ, จะเอาอะไรเป็นตัวยึดยังยังไม่คล่องเจ้าค่ะอ็เอาสติเนี่ยเป็นตัวยึดถ้าไม่มีอะไรยึดก็ใช้พุดโธยึดคุดโธไปก็แล้วกันท่องคุดโท ดีไปเจ้าค่ะต้องพูดโทพูดโทไปหรือสวดอิติปิโสไปหรือถ้าจะใช้อาการหอยดีสองก็ได้อย่างไงย่างหนึ่งมันก็จะทําให้ใจเราเงียบทำให้ใจเสงบได้ท้องกลับไปกลับมาเหมือนที่เราฝึกไว้ใช่ไหมเจ้าค่ะท่องไปเรื่อยเืยเราจะได้ไม่เรื่องลมใช่ไหะเพราะว่าถ้าจกังวลเรื่องลมไปเราดูลมไม่ได้ก่อนจริงไปก่อนอ๋อเจ้าค่ะ อาศัยคำบริกรรมอาศัยคำสวดไปก่อนเจ้าค่ะเพราะว่ามันจะเจ็บหน้าอกตลอดเลยค่ะช่วงนี้ค่ะขอบคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะท่านนี้หรือวันนี้มีเท่านี้ก่อนค่ะไม่ค่อยสบายเจ้าค่ะโอเคดังใจเร็วๆนะขอบคุณค่ะพอาจารย์ท่านต่อไปคุณไพฑูรย์ไม่เห็นหน้าคงจะ ได้ยินนึว่าบุปใบถูกลมาแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่อุบลครับอุบลครับมีอะไรจะถามคือก็อผมรักษาเป็นแปดครับที่นี้ก็ก็ได้ก็ได้เรื่องเรื่องเรื่องสัตว์เล็กน้อยครับทุจกจ้ะว่ามาได้มีอะไร อืมคือผมไม่รู้ว่าผมเเข่งเกินไปหรือเปล่ากังวลเรื่องสัตว์ตัวเล็ก <c> ๆ <oughs> เวลาจะทำทาการงานอะไรอย่างนี้ก็จะต้องดูก่อนว่าจะมีตัวสัตว์หรือเปล่าอีนนี้มันก็เลยทำงานชาร์จก็โดนคุณแม่ดูแล้วผมก็บอกว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจอยากจะรักษา <c oughs> สิ่งให้บริสุทธิ์ก็ ก็มันไม่น่าจะมีปัญหาก็ดูปั๊บดูแล้วก็ไม่มีเราก็ทํางานของเราไปได้ไม่ต้องมาคอยดูทุกวินาทีคอดูว่าบริเวณที่เราทํางานมีสัตว์ไหมไม่มีเราก็ทําไปเลยไม่ต้องมาคอยกังวลดูตอนต้นตอนนี้เราทําอะไรก็ดูก่อนว่ามีสัตว์หรือเปล่าถ้ามีก็หาวิธีไล่มันไปแล้วเราก็ทํางานของเราไป ถ้าเราฟังานที่มันตายมันก็ถือว่ามันไม่ได้มีเจตนาก็ไม่ผิดใช่ครับที ท, ท่ที่หน้าบ้านนี้มันจะชื้นแล้วก็จะมีพวตัวเสรดมที่มันวิ่งเร็วๆทีนี้เวลาอาจออกจากบ้านก็ต้องต้องขับมอาจากไปยันนี้ผมก็เห็นแต่ว่าผมก็กลัวแล้วก็จอดรถแล้วก็ต้องเอาไม่กวา ด, วดเวลาจะออกจากบ้านต้องต้องกวาดล้าง หลายองานก็สมควรนะก็ถูกถูกไหมครับตรงนี้ก็กวาดกรุ๊ปแล้วก็เขียนว่าใส่ออกไปนอกบ้านก่อนดิครับมันมันมาเร็วมากเพราะว่ามันที่เร็วก็ช่องช่องทางที่เราจะออกผ่านไปไดค่ะจะเร็วขนาดไหนเรากวาดมันไปปั๊บเดียวแล้วเราก็เลื่อนรถไปก่อนครับื่แล้วค่อยค่อยขึ่นรถไป ครับก็ดีครับมีความรู้สังวงก็ดีการขอบเขีนคตอนนี้ก็สำคัญแต่อย่าให้มันเป็นถึงขั้นเป็นอุปสรรคทำให้เราทำอะไรไม่ได้แสดงว่ามันครับมันเกินไปพอดีผมได้ยินอาจารย์พูดในทิศหนึ่งตั้งแต่วันกันก่อนว่าอะไรนะวิปัสนาเสียนที่ที่มันเป็นอุปเกเรที่อาจารย์บอกว่าอะไรจะกวด จะกวัวนี้เดียวก็กลัวมาตายเลยผมเลย <ไป S 1> สงสยว่าผมเป็นอป <c oughs> เปล่าประมาณนี้คเรียนเรียนเรืนอการไปแล้วรื่องกินไปคือมาทมาทางสยกลาโอเคถ้าท่านนี้เหรอผมครับผมผมว่าจะบวชในอนาคตนะครับอบวชได้แต่ว่าแา่ ส, าสีรรรได้บนได้ครับแต่ว่ามีมีเหตุบางอย่างที่ต้องบวชใน อ่ามหาวิกยาลัยครับได้บวที่ไหนก็ได้มหาวิทยายทำไม่ยืดก็เป็นภาพเหมือนกันปฏิบัติทำเหมือนกันเรียนหนังสือเรียนะครับแต่ว่าคิดมันมันจ ะ, ม, นจะมันจะช่วงระยะเวลาสั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าผมจะย้ายไ ป, ไปศึกษากับอาจารย์นี้อาจารย์ก็เคยแนะนำว่าให้อยตัตติแต่ว่าผมกเคยได้ยินว่าถ้าจะบวช ปฏิบัติจริงๆจะต้องอยู่เป็นผ้าขาวประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีใช่ครับสำหรับถ้าจะมาอยู่กับเราก็ต้องต้องมีางตารตร้นสอบดูก่อนว่าพร้อมหรือไม่พร้อมอะไรต่งางก่อนก็ยังจะไม่ให้อยู่แต่ถ้าบวชมาแล้วก็เราก็จะให้อยู่แบบแบบชัว่วคราวไปก่อนแล้วก็ดูว่าเป็นยังไง แต่ถ้ามาอยู่านานนี้แต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องละศีรษะหมายถึงถ้าเป็นภาพแล้ก็ไม่ต้องละศีรก็อ ย, อยู่เป็นภาพไปแต่ถ้าเป็นภาพสางวิการนี่มันมันก็จะลําบากถ้ารู้ว่าจะไปอยู่กับถ้านื้อผมต้องลาสีรษะก่อนทนำะไมก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าถ้ายังถ้าถ้าจะไปอยู่กับธรรมยุทธ์ก็ควจะเปลี่ยนเป็นธรรมยุทธอืม ทหารเดิน ป, ประธานบอกจะไปอยู่ด้วยกันยากเป็นฐหารก็จริงแต่มันมีกฎมีระเบียบไม่เหมือนกันคครับโเนะแล้วก็ครับก็ฉันก็กินลองกินมือเดียวนะครับอก็ก็ก็ดีแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมผมเคร่งมากผมกินไม่ไม่ใส่ใส่ภาชนะเดียวไม่ไม่มีอาหารนอก มันก็ก็ดีแต่ว่าผม่ว่ามันอาจจะมีกีเลสแต่งหรือเปล่าเพราะว่าผมอาจาจะเข่งอ่าต่างอะไรนเช่นบิดอ่าสกิรัมนาออะไรนี้ก็ต้องต้องกรองก่อนว่ากวดกวดเป็นภาชนะที่สองอะไรนะอย่างเงี้ยมันมีกิเลสป อ, อ๋ อ, อ <c oughs> ก็เวลาไปอยู่กับที่ไหนก็ทําตามที่เขาทำเขาลงไปอยู่ว่าไหนก็ทำยังไงก็ทําตามเข้าไป เข่งเกินไปผมปฏิบัติที่านหย่อนเกินไปก็อยู่พอไม่ได้โอเคนะเอาเท่านี้ก่อนนะเสียงมัน่อดีเลยเสียงเสียงมันแตกโอเคคุณหมอปริระภาพมีอะไรจะพูดไหมคุณหมอหันมือมาให้กัมเชิญครับุณพ่อครับผมพ่อได้ยินไหมครับได้ยินดีได้ยินชัดดีครับ บอกว่าครับอัปนาสมาธินี่คือชั้นสี่ไม่ใช่ชั้นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นหนึ่งก็ตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยวพาเราพุโทโธพุโทโธนี่เรลเพิ่งเริ่มเข้าชาั้นมีวิตกวิจารณครับแล้วเดี๋ยวก็มีปิติมีสุขตามมาเป็ช2 2> ั้นสองแต่บางทีมันไม่ผ่านมนบางทีพุโทโธพุโทโธมันจากหนึ่งมันเข้าสี่เลยก็ได้แบบจบลุ่มจบวอร์บบบอแบบสายพานแรกครับ ฉันจะไปกังวลว่มันมันขั้นไหนขอให้มันถึนขั้นสมุบนิ่งอุเบกขาแล้วสบายไม่ไม่ต้องทําอะไรจิตแต่นั้นไม่คิดไม่กลุ้มนั่งเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนก็โอเคครับคืออุเบกขานี่คือตัวธาตุรู้กับขันท่าเนี่ยมันจะแยกขาดจากกันแยกจากกันไม่มีธารู้จะไม่มีรับชังโกหลกับอะไรเฉยๆมันจะไม่เชื่อมกันนะหลวงพ่อครับ ก็มันรู้มันรับรู้ถ้ามันบางทีมันไม่ถามันไม่รวมเต็มร้อยมันมันยังรับรู้ความรู้สึกอยู่รับรู้ร่างกายอยู่แต่มันเฉยๆกับความรู้สึกกับเสียงที่เข้ามามันก็ไม่รู้สึกนองคาหรืออะไรเพียงแต่สัจจะว่ารู้ไปไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้กอไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งที่รับรู้ อาจจะเหลือสัญญาบ้างอาจจะเหลือสัญญาบ้างนิดหน่อยอันนี้เราก็ไม่รู้อย่าไปดูตรงนั้นเลยดูตรงที่จะเฉยหรือไม่เฉยเฉยหรือไม่เฉยต่อสิ่งสิ่งสิ่งที่เข้ามารับรู้ครับอใช่เราสงบาจเรามีความสุบรู้เปล่าดูตรงนั้นดีกว่าครับเราสัญญาสัญญานี้มันดูยากทีมันละเอียดดังนั้นเราไม่จําเป็นไม่สําคัญครับครับหมดคําถามกับพ่อการพ้อมาเชิญ ก็คือท่านต่อไปคุณชนะการอ่นววไมโครโฟนก่อนการรักษการค่ะหลวงพ่อ อ, อ, อยู่ที่ไหนคุณชนะฮัลโหลอยู่กรุงเทพค่ะหลวงพ่อค่ออะ<า>คือว่าหนูปฏิบัติมาระยะหนึ่งโดยการดูลมแล้วก็มันเกิดสภาวะหลายอย่างตั้งแต่เอ่อ ตั้งแต่พาณนาปิติมานะคะครั้นี้มาพอปัจจุบันเนี้ยค่ะก็ก็เข้าใจคําว่านิวร์มากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนก็เข้าใจว่านิวรนก็คือความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอมาถึงตรงนี้คือมันเป็นแบบว่าอยู่ๆเราไม่มีเรื่องไม่สบายใจเพราะจิตจะว่างจิตจะว่างไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆแต่อยู่ๆก็ความไม่สบายใจเกิดขึ้นเองทั้งที่ไม่มีไม่มีความไม่ไม่ไม่มีอะไรที่ จะต้องไปไม่สบายใจอ่ะค่ะแล้วมันจะสลับกันสลับกันแล้วเชีนี้ยตอนนี้สภาวะเนี่ยอยู่ที่ว่าตัวจะชาขึ้นนะคะหลวงพ่อชาตอนที่นั่งหือว่ชาทั้งวันชาชาที่หน้าที่ททั้งตัวเลยบางครั้งพอปิติมันมันเกิดเนี่ยมันจะมันจะเหมือนแบบว่าเอ่อตัวมันจะเย็นซ่านทั้งตัวใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหมือนแบบพอพอมากๆแน่นขึ้นเนี่ยมันจะมันจะชาเลยก้อนนี้ ตอนนี้ก็ชาชาทั้งหน้าชาทั้งปากชาทั้งอะไรเลยเงี้ยค่ะหนูก็กลัวว่าจะผิดทางเคยถามไปในไลน์หลวงพ่อแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้รับตอนนั่งตอนที่เรานั่งวันตอนตอนตอนไม่ค่ะเพราะตอนนี้หนูไม่ได้หนูไม่ได้นั่งสมาธิหนูมีสมาธิแล้วตรงที่ว่าอยู่เนี่ยอยู่ในอริยบทไหนหนูก็เป็นสมาธิได้คือคือได้จิตตั้งมั่นแล้วค่ะหลวงพ่อตั้งมั่นแต่ไม่สงบ แต่ว่าคือไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้องแต่ว่าแต่ก็ยังแบบว่ามีสัญญาบางทีมีสัญญาคือมีภาษากระทบข้างหน้าแล้วก็สัญญาเดิมที่แบบมาก็จะจะนิดนึงแต่ก็จะรู้รู้แล้วก็รู้เร็วแล้วก็จะมันจะเฉยอะค่ะหลวงพ่ อ, อจะเฉยจะแบบไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่ะเฉยก็ดีเฉยก็ ด, กดีให้มันเฉยเฉยไป ค่ะรู้อย่างเดียวเฉยรู้แล้วก็ละแล้วก็วางมันไปดูลมกับอะไรก็ใช้ได้ค่ะครับแต่ว่าคนนี้พอพอเกิดนิวร์มาเนี่ยหนูก็ไม่ทําไมทําไมมันมีมามันสลับกับดูลมทําไม่ถ้าไม่มีก็ลองเฉยกับนิวร์อย่าไปยุ่งมันนิวร์ก็แต่มันทุกเลยนะคะหลวงพ่อมันทุกเป็นไ้ความไม่สบายเใจเกิดขึ้นเลยก็แสดงว่าเราไม่เฉยแล้วที่เราทุกข์ ค่ะมันเป็นเป็นเป็นความไม่สบายใจอ่ะค่ะอ่างัทำามไม่สบายใจก็เมื่อกี้สบายใจอยู่ไม่คือจิตตอนนี้ยมันไม่คล้องมันไม่ค่อยคล้องอะไรแต่ว่าความไม่สบายใจอ่าเกิดขึ้นเองค่ะอันมันเกิดขึ้นเองแล้วเราก็เหมือนต้องทนต้องต้องต้องต้องเหมือนทนกับความไม่สบายใจตรงนั้นก็ยังว่าทําไมไม่สบายใจทั้งที่ไม่มีอะไรทำไมไม่ทําแบบเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่ามีสมาธิทำไมไม่กลับไปที่สมาธิแบบ อยู่ในในลมนะคะอ่าเมื่อกี้คุณบอกคุณมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หรอค่ะมีสมาธิค่ะมีสมาธิแล้วมันจะไปทุกกับอะไรหรืก็ก็เหมือนเวลานิวรณ์เกิดขึ้นนะคะอาจารย์แล้วก็มันก็จะแบบว่ามันเป็นความไม่สบายใจมันก็ดูดูที่ความไม่สบายใจคุณอย่าไปอยู่ที่นิวรณ์เดยคุณก็กลับมาอยู่ที่สมาธิเลค่ะกลับมาดูที่ลมนะคะ อ, อกลับมาที่สมาี่อย่าไปอยู่ที่นิวร่ะอยู่ที่นิวรณ์มันมันก็ฟุ้งหรืมันก็เชียดมันก็ทุกข์เปนหมือกลับมาอยู่ที่ที่ที่ที่คนเป็นสมาธิคนทบาที่อยู่ตรงไหนก็กลับไปอยู่ตรงนค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคนะเราลองทําดูนะพอมีนิวรณ์อย่าไปสนใจอย่าไปอยากให้นิวรณ์มันหายยิ่งอยากให้มันหายยิ่งทุกข์อย่า รีบกลับมาที่มาที่แทนกลับมาที่ลมแทนค่ ะ, คะโอเคนะค่ะกลับน้องสกาลครับอาจารย์คุณนิสุรางคงเสาอ่านกดอันนี้ได้เลยครับอยู่ที่ไหนครับกลับมาท่านสการ์ดครับอาจารย์อยู่สระ บ, บุรีครับผมสระบุรีมีไรายไหมยครับ อธรรมดาก็นั่งดูลมหายใจอยู่ตลอดเวลานะครับอาจารย์แล้วก็อพอถ้ามีครั้งหนึ่งนะครับที่ประมาณตีสามตีสี่ตื่นขึ้นมานั่งอยู่คราวนี้ดูลมจนลมหายหมดพอลมหายปุ๊บความรู้สึกความสบายเกิดขึ้นในจะังหวะนั้นจิตผมก็ลมมันหายผมไม่รู้จะจับอะไรผมก็นึกนึกตอนนั้นคือไม่อยากให้ความสบายมันหายก็นั่งพูดตัวพูดตัวในระหว่างที่ไม่มีลม อแล้วเป็นยังไงดีไหมครับในในตอนนั้นก็อยู่ได้สักพักใหญ่หนึ่งค่อยคาย อ, ออกมาเหมือนปกติครับอาจารย์เออก็ดีคันมันสบายมันว่างมันเย็นในตอนนั้นก็รู้สึกเลยว่าโอสมาที่มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสมาที่เมื่อลมหายหมดอะไรทํานองนี้ก็คิดเมื่อหลังจากที่นั่นก็มันนั่งคิดโอโสมาที่นี่มันดีอย่าง น, น, นั่นจริงๆริง ถ้ามันสบายก็ถือว่าแล้วพอมาวัหลังความอยากมันมีคราวนี้ก็สงบบ้างไม่สงบบั่งพระอาจารย์ครับก็อย่าไม่สนใจกับความอยากก็ทําตามเดิมครับผมทําไปเรื่อยสม่ไหมครับา่าจานลงไปเรื่อยๆอย่าไปอยากให้มันได้ผลเดี๋ยวไม่ก็มาครับผมพอไม่อยากก็มันก็ไม่ลงครับ ถ้าต้องทําอาศัยความชํานาญใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ฝึกบ่อยต่อไปนั้นก็ชํานาญนันก็จะสงบได้เร็ววันวันไหนที่มันไม่สงบผมก็ดูความคิดออกไปเรื่อยๆดูนั่งดูมันหยุดหยุดมันดีกว่าอย่าไปปล่อยให้มันคิดเยอะใช้พูดโธครไม่ติดโทรศัพท์ก็ดึงกลับดึงกลับมาอยู่ที่เอาสติดึงกลับมาอย่างเดียวใช่ไหมครับาระจันถ้าเอาสติกลับมาอย่าไปตามดูตอนนี้ก็เหลือความอความชํานาญนะครับประจันเนาะผมเพี้ยนน่ะเนาะ ความเพียรแล้วก็ความยานาที่มันใช้สติอยู่ความคิดนะครับแล้ววันวันพระวันพระนี่ผมคิดว่าจะจากศีลห้าจะต้องไปเป็นศีลแปดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ได้ถ้ารักษาศีลแปดได้ครับถ้าจะปฏิบัติจริงๆอรัผมว่าน่าจะจะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นครับผมสถานที่เกี่ยวไหมครับอาจารย์เกี่ยวเหมือนกันถ้าสถานที่ที่าอยู่คนเดียว เงียบสงบดีกว่าไปอยู่ใกล้กับคนนู้นคนนี้อ๋อครับผมอ๋อครับผมเพราะคนไหนก็ทำอะไรเดี๋ยวเขามารบกวนใจหมดละครับผมจะได้ว่าเริ่มมาถูกทางเลยว่าอาจารย์ครับถูกทางแล้วล่ะถ้าเจอความสงบก็ถืว่าถูกทางครับผมครับตอนแรกรู้สึกจะเริ่มชาพอได้พอลมหายปุ๊บแค่นั้นแหละโอ้ความเย็นอะไรมันหมดทุกอย่างเลยตอนนั้นนัดี ครับผมแต่เวลาทำใหม่อย่าไปอยากอย่าไปอยากนะครับเวลาทําใหม่เออยาอยากอยากจะให้เป็นเหมือนเดิมอีกไม่ไม่ไม่หมดสักทีลมไม่หมดสักทีไม่ได้เนี่ยดูลมไปเฉยเฉยอย่าไปอยากครับผมอ๋อครับผมโอเคนะครับผมครับนม้วราชการคุณระวินคุณระวินกุ้งมิ้ว มา ย, ยังปิดอยู่กดตัว unmute ก่อนโอเคอยู่กรุงเทพใช่ไหมคุณลาวินค่ะกับพระจานทร์ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะเพิ่งมาปฏิบัติธรรมอยู่เพิ่งกลับไปนิดนะค่ะวันนี้ไปทํางานวันที่สองค่ะเมื่อวานก็ไปทําค่ะมีอะไรจะถามไหมวันนี้ไม่มีค่ะมันเย็นสบายมีความสุขมากค่ะพระจนันทร์ดีแสดงว่าจิตไม่ปูแต่งนะ ค่ะ mm hmm. ก็เย็นทั้งวันเข้าง่ายออกง่ายแล้วคือมันเหมือนมีคือพระอาจารย์ครับปฏิบัติมาเรื่อยๆเนี่ยทั้งความสงบทั้งความสุขเนี่ยมันมีมากถ้าไม่มีภัสสะอะไรมากระทบเนี่ยเราเราสบายมากเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็เห็นเห็นข้างนอกข้างในเห็นหมดเลยเห็นมันพูดไม่ถูกค่ะแล้วรู้ว่ามันมีต่อมฮัลโหลค่ะ มันพูดต่อไปได้พูดไปค่ะมันเหมือนมีต่อมมีจุดที่เราอยู่ข้างในแล้วถ้าเราออกมาเนี่ยถ้าเรากําลังเราน้อยเนี่ยมันก็จะบางครั้งเราก็จะเจอความทุกข์ได้ง่ายอะค่ะแต่ถ้าอยู่ข้างในเนี่ยก็รู้ว่าจุดต่อมตรงเนี้ยจริงๆถ้าเกิดว่าจิตสุดท้ายอยู่ตรงเนี้ยหนูรู้แล้วว่ามันมันโอเคมากอะค่ะเราจะเจอฐานของจิตหรือเปคือค่ะเป็นฐานเป็นฐานที่มั่นคงแล้วเจอมานานแล้วด้วยค่ะพระเจ้า ถ้าจะ เ, เป็นอุเบกขาค่ะถ้าจะให้ก้าวหนะ้าขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นเร็วๆเนี่ยค่ะพระอาจารย์ขออุบายในการสอนสั่งเจ<อ>้่ะเรก็ต้องพลัดเปลี่ยนมนาะใช้ปัญญามาพิจารณาทางปัญญาบ้างอย่าทำอย่สมาธิอย่างเดียวเวลาจากสมาธิมาก็เรามาพิจารณาร่างกายว่าเป็นไม่เที่ยงเกิดแจ่บเจ็บตด้ ไม่สวยงามมีอาการ 3.2 ไม่มีตัวตนมีแต่ดินน้ำลงไปตายไปก็เป็นซาร อ, <ะ>อางนี้ต่อไปจะได้ไม่ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายของเราและของคนอื่นค่ะบางทีเห็นอารมณ์การทำงานของจิตด้วยค่ะแต่เราก็เฉยเฉยเฉยเฉยว่าอารมณ์ของจิตก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เที่ยงกัน นักการล้วก็ควบคุมมันครับไม่ได้ค่ะถ้าไปอยากให้มันเป็นตามเราความอยากมันก็จะทุกข์ใช่แล้วค่ะเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยค่ะพระอาจารย์ไปนะถามต่อไปนะแล้วค่ะสาธุค่ะต่อไปคุณสุภารอนคุณสุภาพอนเชิญอ่านยื่วไมโครโฟนพูดได้เลยอยู่ที่ไหนอ่าอยู่กรุงเทพค่ะ โอเคเคยเข้ามาแล้วใช่ไได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินเเข้ามาก่อนหรือเปล่าไม่ได้เข้ามาสนจะนาอลไปค่ะเป็นครั้งที่เป็นครั้งแรกอ๋อครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งที่สองมีลูกสองคนเป็นลูกสองคนเออวันก่อนไปปฏิบัติธรรมที่เรือนปฏิบัติแล้วค่ะก็ ก็กล้าออกไปปฏิบัติข้อห้องในตอนกลางคืนไม่กลัวแลนะก็ไม่กลัวแต่ก่อนจะออกก็ก็ก็เห็นว่ามีมีจิตหนึ่งพยายามจะเหมือนมีความกลัวค่ะแต่เราก็ก็ไม่สนใจคือรู้ลักคือมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดก็แต่อีกจิตหนึ่งก็ก็พูดว่าก็สู้ก็ออกไปสู้อะไรเงี้ยค่ะพอถึงเวลาก็ออกไปนั่งเออ ไอ้กลัวผีกลัวอะไรก็ก็หายไปนิดหนึ่งแต่มันจะไม่ได้ยินเสียงใบไม้ได้ยินเสียงลมได้ยินเสียงอะไรในเวลากลางคืนมันก็จะกลัวพวกสัตว์แทนใช่ว่ามันเสียงแล้วแลมันอย่าไปปรุงแต่ว่าเป็นสัตว์เป็นอะก็พยายามคิดแบบนั้นแหละ ว, ว่าจะเป็นพวกสัตว์กลางคืนมากระโดดบนจริงหรือว่าตรงพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรื่องของมันไปมันก็มันก็อยู่ตามภาษามันแล้วก็อยู่ตามภาษาเรา แต่เม้ตลาไปก็ได้เออแล้วก็วันนั้นตอนที่ออกไปนั่งก็จะรู้สึกว่าสมาธิก็ที่เคยสงบสงบก็จะไม่ค่อยไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยได้ค่ะเพราะมันกลัวไงถ้ า, ถาอยากจะให้มันสงบตอนที่กลัวก็ต้องพูดโทพูดโทไปอยากอให้มันคิดค่ะแล้วมันก็จะสงบได้ ความกลัวนี่มันจะทำบังคับให้เราพูดโทรพอเราพูดโทรจริงๆมันก็จะสงบได้เร็วด้วยแต่ว่าพอดีว่านั่งไปก็จริงหลับตาก็จริงแต่ว่ามันยังเที่ยวไปนั่งสังเกตว่าเสียงนี้มันเกิอะไรยังไม่คิดอยู่ไม่อยู่กับพูดโทรอย่างเดียวอย่าไสนใจกับเวลาทั้งทิมคิดว่าถ้าจะตายงั้นมันตายไปคนเราถึงเวลามันอยที่ไหนก็ต้องตายมันจะได้ตับได้ขัดความกลัวได้ ค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีนะคะ <Okay. S 2> ไป ม, มีโอกาสไปปฏิบัติใหม่ค่ ะ, ะไ ด, ดะ้ท่านต่อไปใครนอกคุณคุณกาฟฟี่อยากจะพูดอะไรมนะั้ยอยู่โซราใช่คุณกราฟฟี่เคยเข้ามาอะไรไหมครับกับอาจารย์มีอะไรบ้างอ๋อมีครั บ, ค, รบคื อ, อช่วง ช่วงนี้ก็จิตสงบขึ้นแล้วก็เข้าสมาธิได้มากขึ้นครับมีความสุขแล้วก็งานเยอะขึ้นแล้วก็มีคําถามครับคือเมื่อกี้ครับก็นั่งฟังเสียงที่พระอาจารย์พูดไปนะครับฟังเสียงแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ส่งใจออกไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่ตัวก็เห็นว่าเราไม่ได้มีความสุขอยู่คนเดียวครับ เหมือนมันเราถึงความสุขแล้วเรายังรู้สึกถึงพลังความสุขของคนอื่นแล้วก็ก็เลยแผ่เมตตาคือปกติแล้วเวลาทำสมาธิก็คือว่าอยู่กับอารมณ์เดียวคือว่ามีความสุขกับตัวเองใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือเหมือนเหมือนเหมือนสื่อถึงคนอื่นว่าแบบว่าเหมือนรับรู้ว่ามีคนอนื่นก็มีความสุขแบบเราที่แบบมีฐานของสมาธิเหมือนกันนะครับเราก็ได้หองเขาเราไม่้องไปยุ่งบเหรอเดี๋ยวครับ อยู่ก บ, บใจอยู่ข้างในอย่าออกไปข้างนอกเดี๋ย่าไปส่งไปหาคนนั้นคนนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวความสุขมันจะหายไปเนื้อท้างจะงอกจะหายไปครับตอนนี้ก็คือพยายามประคองแบบอะไรที่แบบว่ามากระทบใจแล้วก็แบบว่าอ e ิจิปิโสทันทีหรือว่าประคองจิตไว้เพราะเพราะเรารู้ว่านาคตรเราก็ต้องทุกก้ข์อะครับเออดีเฉยๆไว้ดีกว่าอย่าไปมีอะไรกมั น, นะโอเคเดี๋ยวเอาให้ดีก่อนนะ คุณทา ท, าทา่ากลับมาแล้วว่าไงคุณทาทา่าเปิดไมโก็โฟนไดไ้รู้สึกเปิดอยู่แล้วนั่นแต่ไม่มีเสียงได้ยินไหมคุณทาท่ากำลังต่อใชนะ่รู้สึกมีปัญหาโ อ, okay. Okay. อเคโอเคลองเปิดลองพูดโนะ <Okay. S 1> อดเคได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วก็กลับมาสกการะค่ะ อยู่ดอนเนะค่ะอยู่ดอนเนาะมีอะไรไหมีอะไาจะถามไหมอยู่อำมพะเพนเจ้าค่ะโอเคอยากจะถามอะไรไหมไม่ได้ยินเหรอเออได้มันเสียงมันกล้องอ๋อก็ไม่ไม่มีถามเจ้าค่ะรอบก่อนพระอาจารย์ได้เรียนถามพระอาจารย์ก็ เพียงหนูว่า ห, หายหายมันขาดจาดได้อย่างเนี่ยแต่ควสัญญาณสัญญาณไม่ดีแต่ค่ะก็าห้จนให้ไปพร่มสตินะจะค่ะตอนแรกตอนแรกมันหลับมันหลับแล้วไปพิ่มสติเจ้าค่ะดสติไปเรื่ยนะส ต, ติเรากลมก่อนส่วน บ, บนก่อนก็ได้นะอย่าเไปน้่งน้นนเดี๋ยวมันหลับก็ ยมยมยมทำได้แล้วเจ้าค่ะจะอยากจะมาเจ้าค่ะโอเคมารายงานคุณนะดีสองเจ้าค่ะยมทำขาดแล้วเราจะมร่วมคือโมหะเจ้าค่ะยมคัเจ้าค่ะสัญญาไม่ค่อยดีเขาขาเรื่อนไปก่อนนะขาดชาแนลยังโอเคคุณเกษงบ ไม่ได้เปิดวีดีโอไม่อยากจะเอยเผยหน้าตาเลยจัดนวัตกรรมครับอาจารย์อ๋อที่อยู่นอยเจร์ไหน้าบํายกใช่ไหมแล้วค่ะตอนนี้ออกมาออกออกมาข้างนอกเจ้าค่ะพอดีว่าเอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง้อเจ้าค่ะพระอาจารย์สบายดีนะเจ้าคะอ่าสบายดีพอดีก็โอเคเลยน ค่ะพอดีว่ารอช่วงรอรอรถเอารถมาเปลี่ยนไมค่ะเอารถมาถ่ายแล้มาื่องเจ้าค่ะพอดีว่าช่วงรอเขาก็เลยว่าพอดีเห็นพระอาจารย์ไลฟ์พอดีก็เลยเข้ามาไวันนี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์วันนี้มีแต่ว่าทุกวันนี้คือว่าจิตคือว่าปฏิสุเหมือนกับว่าไงมีความสุขดีนะเจ้าค่ะไม่มีปัญหาอะไร แม้กระทั่งว่ามีเรื่องมีเรื่องอะไรมากระทบเนี่ยมันเหมือนมันมันมันอุเบกขาได้แบบเราเราไม่ได้มีอารมณ์โมโหอะไรเลยคือเรารู้อยู่ในใจนะเจ้าคะอ่าแต่แน่ว่ามีสตินี่สตินีเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่ไปตอบโต้กับใครใครรู้ว่าใครจะทำอะไรก็อย่ามันเขาเลยว่าทีดุลูกเน่ยแต่ใจเราไม่ได้ดุนะเจ้าคะก็คือว่าเหมือนกับว่าเราพูดไปให้คือว่าเหมือนกับว่า คือว่าเีค้ามพูดได้เจ้าค่ะแต่ว่าใจใจในใจเราไม่มีการโมโหโกรธอะไรเลยคือว่าเราพูดไปองนั้นแต่ว่าเราไม่ได้โกรธไม่อะไรเขาเจ้าค่ะมันมันมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากเจ้าค่ะปฏบัตไปต่อนะอย่าทิ้งนะเจ้าค่ะกลับสาธุเจ้าค่ะขอปังทำดีกว่าเจ้าค่ะวันนี้ คุณนาเร ค, คุณนารได้ยินไหมรู้สึกจะเป็นภาพนิ่งคงไม่ได้ยินมันไปที่คุณทีระบีระพัฒ์เออคุณผู้หญิงเนี้ยมันเปิดไม่แล้วก็พูดได้เลยอยู่ที่ัน่นแล้วทักายระอาจารย์อ้อมค่ะอ้อมเข้ามาฟังเิยๆแล้วอ้ อ, อโอเ ค, อเคดำหน้าไม่ได้ด <laughs> ูคุณจีบต่อเลยอนะันคุณจีบ อยู่ขับรถอยู่แล้วคุณจี๊บค่ะกลับนมัส ก, การค่ะว่ า, าจาย์ได้ยินไหมคะได้ยินนะได้แรงใช่ไหมใช่ค่ะใช่เจ้าค่ะพระจารย์สบายดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเอะอหายแล้วค่ะสาธุค่ะคือโยมจะถามอะค่ะคือตอนนั้นพระจารย์บอกว่าให้โยมอดทนไม่ว่าเรื่องอะไรจะเข้ามาทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องดํา เดิมซึ่งบางครั้งโยมก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เหมือนเดิมแต่มันรู้ว่าค่ะว่ามันมีทางที่จะต้องแก้ปัญหานี้ไปได้แต่ว่าบางครั้งมันใช้เวลานานหรือเกินกว่าที่จะถึงจุดนั้นนะค่ะแต่รู้ว่าจุดนั้นน่มันกำลังรอเราอยู่แต่ว่าบางทีมันนานนานแล้วพอเรามาเห็นสภาพที่มันเป็นทุกข์แบบเดิมแล้วเราก็จิตเรา ล้ำยานขงคุณขาดใได้หก็ตกไปอีกเนาะล้ำยานไม่ไปดีมีเรือราะถอาจารย์ว่าโยมจะทายังไงค่ะคือโยมกาลังอยู่ในระหว่างขั้นตได้ยินไหมคะว่าจล้าไ่ยดีะโยมจอดไอหาาแล้วครับก็ ใจเย็นๆแม้ก็แล้วกันอย่าไปอยากนิ่งอยากมันยิ่งรู้สึกชาก้ตญญาตถ้าันเฉย ๆ, ๆไม่รู้ไม่ที่ไปเดี๋ยวมันก็เร็วเองความอยากมันเลยทำให้ คือมันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายยมเข้าใจแล้วมางทีมันใช้เวลานานพยมกลับมาเห็นทีไรว่าแบบโอ้เราเมื่อไหร่จะหมดไอ้ภาระตรงนี้นะเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เหลือเกินแต่โยมก็รู้ว่ามันมีเวรวันที่จะให้หมดนะคะแต่ทีนี้จะทํายังไงให้มันตัดตรงนี้ออกไปคะหรือว่าวางเฉยหรือว่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะหมดวางเฉยมันจะหมดเมื่อไหร่ก็หมดยังไม่หมดก็ไม่หมดนะมันฝนตกฝนมันยังไม่หยุดก็ต้องปล่อยมันตกไปเรื่อย จะไปทำไม่ได้ยังไงโยมก็ต้องมาคือเราก็คือบางครั้งจะนั่งสมาธิจิตมันเลยแบบตกไปเลยเศร้าแบบเหมือนมันเศร้าไปเองอ่ะคะ่ะเราจะแก้ตรงนี้ยังไงดีคะพระอาจารย์ก็ต้องนั่งแบบมีสติแล้วนั่งเท่าพุโทโธพุโทโธไปแล้วชดมนไปก่อนแทนนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนั่งเศร้านั่งดูลงไม่ได้ก็เท่าพุโทโธพุโทโธไปแล้วชดมนไปก่อนค่ะแต่ทีนี้ก็คือ โยมก็ตัดมันไปเลยได้ไหมคะเวลาเห็นก็ลุกก็วางเฉยมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่ได้ถาวรเดี๋ยวมันก็ดับไปมันตดไก็ดีตัดได้ก็ตัดไปแต่มันก็ยังตัดไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ได้ต้อมาใช้พุทโธหรือใช้ส่วนต์ไปก่อนเป็นเป็นวิธีตัดแทนถ้าอย่างเดินจงกลมนี่สมมติถ้าเวลาโยมเดินออกกําลังการแล้วเราแบบใช้พุทโธก็ได้ พุทธโทไปทุกเก้าเก้าซ้ายขวาก็แบบซ้ายขว า, ซ, า, ขวาซ้ายขวาแบบนี้ได้ไดใช้ซ้ายขวาก็ได้พุโทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้คือไม่จําเป็นต้องเป็นวงกลมใช่ไหมคะพระอาจารย์จงกลมไม่ใช่ เ, ใหเหรอคือเวลาเราเคลื่อนไหวทำอะไรนี่ก็ก็ใช้ได้บางทีอาบน้ำก็เม่อาบแฟ น, นควันไปก็พุทธโทรไรก็ได้อ่อเวลาอาบน้ําเราสวดมนต์นี่เหมาะสม ไ, ไหมคะถ้าเราสวดใจไม่เป็นไรอย่าไปสวดออกเสียงมากเกินไป อย่าออกเสียงใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเทวดามาฟังด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ ม, มันไม่เทวดามันยุติเขาฟังแล้วก็ยังบอกว่าเราไม่ไม่เหมาะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะอยู่กับลูกลูกชินแล้วคะ่ะถ้ามันมีคนอื่นจะโทรออกเสียงไรก็ได้ไม่มีใคว่าอะไร อ๋เจ้าค่ะอขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ายามได้ฟังทรามของพระอาจารย์แล้วก็ช่วยให้โยมสบายใจขึ้นพระอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะเหมือนน้าเย็นมาฉลมงใจโยมเลยเย้าจ๋าใจเย็นนเย็นอย่าไปอยากค่ะค่ะการในม่ช้ากขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะเจา้ า, า, าค่ะสาธุจ้ะสาธุค่ะคุณเคนคุณเคนอนยิ้ได้เอยู่ที่ไหนคุณเคน ฮัลโหครับอาจารย์ผมอยู่ในยองครับอยู่ในยองครับอาจารย์ใช่ครับผมมีอะไรบ้างมีครับอาจารย์ก็คือเมื่อเราเข้าสมาธิปุ๊บเราสามารถที่จะเข้าฌานเข้าฌานคือความจุดคือนิ่งอยู่จุดเดียวเนี่ยแล้วเรากลับออกมาอยู่สมาธิเพื่อที่จะพิจารณาท่าดขันนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ไม่ถูกหรอกเวลา นั่งสมาธิยังไม่ต้อพิจารณาให้เข้าไปฌานถ้ามันอยู่ในฌานนานให้มันนิ่งนานให้มันสงบนานยังไม่ต้องพิจ า, า, า, ารณาเราต้องสึ้ง เ, เวลาทําสมาธิไว้เวลาออกจากสมาธิมาแล้วค่อยพิจารณาร่างกายอือก็คือมันมันเข้าพอนั่งปุ๊บมันก็เข้าของมันเองเนี่ยเขาใบจานเข้าขปุ๊บเลยเนี่ยลองรู้ดิครับถ้าเข้าไปก็ให้มันเข้าอย่าให้มันออกให้มันอยู่นานๆเท่า ถ้ามันเข้าแล้วมันไลี่มันสบายก็ให้มันให้มันอยู่อย่างนั้นมันนานถ้าอยากจะพิจารณาปัญญาก็ไม่ต้องเข้าพิจารณาได้เลยไม่ต้องรอให้มันเข้าครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วมันดึงมันออกมาเลยว่จะพิจารณาทางปัญญาก็ต้องดึงมันออกมาครับครับเมื่อขนดึงออกมาแล้วครับอาจารย์มันจะติดอยู่ตัวหนึ่งคือแต่ลักครับอาจารย์ไตลักก็ไม่เพียงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนใช่ครับ ไม่ว่า ม, มองให้แล้วร่างกายนเป็นไปเนาะครับครับอาจารย์แล้วมีอีกตัวหนึง่งเอ่ออะไรนะราคาอะไรเนี่ยครับเนี่ยราคาเขาต้องชะสุภาพครับเอ่อทราบสมเห็นคนทราบศพครับอาจารย์ตัวนี้มันมันช่วยผมได้มากแต่มันมีอีกตัวหนึ่งผมจําไม่ได้เอ่อโมหะโทสะเนะครับอาจารย์ผมจะพิจารณาตัวนี้ยังไงครับอาจารย์โมหะก็ไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตอนไง พลังกายเป็นตัวเราของเราร่างกายนี่เป็นเพียงอาการ 3.2 มันไม่มีตัวตนในร่างกายเราเป็นจิตประกอะมันมาใช้เหมือนเราใช้สุขสสารวิญ ญ, ญาณสั่งให้ร่างกายทําอะไรเขึ้นมาให้ต่างๆครับ <Okay. S 1> mm hmm. แล้วเมื่อเราเมื่อเรารู้มันแล้วเมื่อเราเห็นว่ามันเออมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเมื่อเกิดว่างตัวนี้ปึ๊บขึ้นมาเนี่ยให้เรามีสติใช่ไหมครับอาจารย์ ได้รู้อยู่ตลอดเวลาให้รู้ว่าันว่างก็ว่างรู้ันไม่ว่างก็ไม่ว่างจิตเป็นเหมือนยามาให้คอยดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเมื่อครับเมื่อเมื่อเมื่อสมมุติว่าไอสิ่งที่มันคิดไม่ดีเข้ามาปุ๊บสมมุตินะครับอาจารย์เสียงมาเข้ามาปุ๊บให้เราให้เราแยกตัวนี้ว่ามันเป็นนามหรือมันเป็นเสียงหรือว่ามันมากระทบแค่ธาตุขันเราไม่ต้องสนใจมันใช่ไว่าเมื่เราไปวัดนมเราพิจารณาว่ามันเกิดดับมันนาแล้วก็มันเข้าไป อานาดาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ก็ดึงเข้าไปที่เอแต่รักเหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์ปลอยให้มันไตรักไว้แล้วก็รู้เฉยๆด้วยแล้วก็ไปไม่ต้องไปยุ่งใหม่แค่รู้แล้วล้วมันก็จะหายคําว่าปล่อยวางมันเองใช่ไหมครับอาจารย์ออืแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยอย่าไปตอบโต้บางทีใครก็พูดไม่ดีก็ไปตอบโต้เขาว่าแล้วมึงไงมูดอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอ ต่นี่มันมาแล้วเราก็เฉิเฉยวไปรับรู้ไปนะครับเมื่อสิ่งไม่ว่าเสียงอะไรก็ตามแต่ที่มันกระตุ้นให้เรารับรู้แค่นั้นแล้วก็ปล่อยวางโอ้เข้าใานะแล้วก็ไปไม่ต้องไปเสียเวลาตัวเองนอกจากมีการเป็นต้่งคุยกั็คุยได้ถ้าคุยจะละอะไรเนี้ยถามาอะไรมาําเห็นแล้วก็ตอบก็ตอบอย่ไม่ตอบด้วยอารมณ์ตอบด้วยเหตุผลครับผม แล้วมันจะทําให้ผมเจริญก้าวหน้าทางด้านปัญญาอย่างนี้ครับอาจารย์ผมต้องไปต่ออย่างนี้ครับปัญญาเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันอ๋อเสดแล้วผมถึงตรงนี้แล้วผมก็ต้องวิจารณาตัวนี้อะไรที่มากระทบก็ต้องวิจารณาไปเรื่อยแล้วก็ปล่อยวางไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อย่าไปทุกขากับอย่าไปทุกข์กับมันถ้าทุกขแสดงว่าเราไม่ปล่อยอืมอาจารยครับแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวทุกข์แล้วเราเห็นธาตุขันเลยเนี่ยไอตัวที่มันก่อกําเนิดทุกข์ที่อยู่ในใจนะครับอาจารย์ผมจะ ผมจะทํากับเนี่ยยังมันดีครับที่มันคิดออกมาเป็นความคิดว่านี้คือทุกนี่คือไม่ทุกนี้คือสุขเนี่ยครับประจากษ์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมหามันไม่เจอคระจากษ์ไม่ต้องไปหามันอ่ะกนให้รู้วันให้รู้ว่าเวลามันมาก็มาเวลามันไม่มาแค่ดูมันเฉยแล้วมันก็จะวางเหมือนกับตอนแรกใช่ไหมครับปรจากษ์ทุกอย่างมันเกิดําเกิดมนเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันแต่มันจะคิดจะมันจะออกมามันเรื่อยว่าอันนี้เออเสียงอนะ อันนี้ความคิดเป็นอย่างนี้นะอันนี้ไอตัวเนี่ยครับผมต้องต้องต้องวางมันไงเข้าไปแต่ผมวางไปไม่ถูกพูดโธใช่พูดโธวางไว้นะเอาเงินพูดมาก็้วพูดโทรพูดโทอไปเรื่องบอกว่าอยากคิดก็ได้เราไม่ต้องคิดไม่ต้องพากให้รู้เฉยๆให้รู้รู้ตัวเดียวอโทแจะว่ารู้ไปรู้ว่าเขาเกิดดับรือว่าเขาเป็นตายดับก็พอ อ๋อันนี้เรียกปัญญาใช่ครับอาจารย์ปัญญาูครับผมโอเคครับอาจารย์สบายใจแล้วสครับผมครับผมท่านต่อไปคุณเรโอกรรมฐานเลโอกรรมฐานอ๋ออยู่ที่ดีบีซ่าใช่มสบยดรเจ้าค่ะหลวงพ่อสบายนจะสบายดีเจ้าค่ะคนที่ทรบุญมาถวายเขบอกเขาบอกว่าส่งอาหารมาให้ สาธุดหลวงพ่อได้รับยานี้แล้วใช่ไหมคะยม่รับแลาจําไม่ได้แล้วล่ะก็อ่ะค่ะทานเนี่ยค่ะที่มีขีดเจ้าค่ะถูกต้วยใหญ่เราไม่ได้โดยใหญ่เราไม่ได้ทานเพราะเรามียาดีกว่ามีธรรมะะสาธุดสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อทราบใ่ไมมีสติมีปัญญาดีกว่ายาทั้งหมด ทุสีมีปัญญาแล้วใจไม่ทุกข์ไปจะเป็อะไรก็ไม่เป็นไรอยู่กับมันได้อ่าธุเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุปล่อยวพ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าค่ะโอเคอันนี้ยังมาเมืองไทยไม่ได้ใช่ไหมยังเจ้าค่ะโควิดเจ้าค่ะก็พอดีมีน้องเขากลับไปก็เลยได้ฝากได้ฝากยาไปเจ้าค่ะ อิตาอิบิซาใช่ไอิอิบิซาเจ้าค่ะตอนนี้อยู่ที่อิอบิซาเจ้าค่ะเขอลูกชายก็เรียนหนังสือที่ที่นั่นเรยเจ้าค่ะครับอันนี้อยู่ชั้นไหนนะอยู่ชั้นไหน I'm Last year high schoolLast year high school American American BritishI'm in British schoolBritish s c h o o l o a c t u a l l y have two years leftActuallyWhat you g o i n g to do next after after you graduate from high school I'm planning to go to university then. in England. Yeah, or anywhere in Europe. So when you're o okay. k i g what Europe, do you want to study? What do you want to study? Right now, I'm studying economics. So maybe, maybe international relation or like diplomat stuff. a okay, d so, you plan to stay? Sure. You plan to live in t h visa with your parents afterward, or you g o i n g Go somewhere else, like after university, or yeah, yeah. maybe, oh, yeah. oh, we should, yeah. or we could go back to Thailand. Who knows what could okay. happen? Okay, good. All right, take care of your mother. Okay. Sa Thus a t u s k h o n g Phong. o n h n g l o h o n g o Phong. l o u g h o n g l o h o n g o Phong. l o u g h o n g l o h o n g o p h o n k o h o n g Long h a n o h a n o อยู่ที่ไหนครับอยู่ดัลัสค่ะอาจารย์คณะมาหลายชาตมาหลายที่ด้วยกันกับน้อสการเจ้ค่ะดีนะควันนี้มีค่ะมีคําถามเจค่ะก็คือว่าเมื่อก่อนเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยลูกจะรับจิตอะค่ะจะมีภาวะแบบอยู่ดีๆก็แบบแบบภาวะจิตคือกลัวตายอ่ะค่ะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือลูกก็แบบ คือกลัวมากจะมีความฟุ้งซ่าแล้วก็ตกกังวลอะไรเงี้ยค่ะพอตื่นที่พ้าจันต่อเน่องคือให้อยู่กับคําบริการเบบคุณโ ต, โตแล้วก็อยู่กับอิติปิโส ก, ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็บางครั้งตอนนี้ก็จะมาแบบเป็นระยะคะ่ะภาวะนี้จะมาเป็นระยะแต่ลูกก็เลยพ อ, พอเวลาเห็นเห็นภาวะจิตตรงเนี้ยคะ่ะลูกก็เลยแบอบกว่ายิ้มมาะคะ่ะแล้วก็มองว่าเป็นมิตร เหมือนเพื่อนเขามาทักทายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แล้วก็อยู่กับคําอิติไปนะเจ้าค่ ะ, คะก็<ๆ>ก็รู้สึกสบายใจแล้วค่ะอย่าไปรังเกียจอย่าไปกลัวมันมันเป็นแค่ความคิดค่ะเจ้าค่ะรู้ทีว่าคือคือที่เหลือคือคือชีวิตตื่นก็คื อ, ค, อคือมองว่าอยากจะมองว่าปฏิบัติเพื่อเตรียมตรงนี้นะคะก็เลยไม่ <S <S ไม่ไม่ถักใส่ไม่หนีนะคะ ไม่ไม่กลัวก็ก็คือคิดว่าถ้ามาเถ้าเขาเข้ามาก็คือเขามาเตือนเราแล้วเราก็จะได้ฝึกฝึกให้ติดต่อให้เราแน่ใจว่าเราพร้อมหรือยังกับภาวะตรงนี้เจ้าค่ะต้องปล่อยวางว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ไ<ห>ม่ต้องกลับคืนสู่ดินทีน่เราไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตเราไม่ได้ตายไปกับเจ้าค่ะแล้วก็พอเจ้าค่ะพอพอลุก คิดตรงเนี้ยคิดตรงนี้มันเลยทําให้มองเห็นเรื่องอื่นความทุกเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเราเรายังเรายังแับอยู่กับเรายังไม่ขาดตรงนี้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมุ่งเฉพาะตรงนี้คือเตียงอย่างเดียวคือเตียงตรงนี้อย่างเดียวเช้ค่ะอดีเตียงมันดีที่สนะเพราะเราต้องเจอข้ อ, ขอสอบในวันใดวันหนึ่งอ เจ้าค่ะให้เราลึกถึงบ่อยๆใช่ไหมยราเลึกถึงบ่อยๆหรือลลลปล่อยให้ความคิดเข้ามาเฉยๆเจ้าค่ะต้อนรับมันยินดีต้อนรับมันนะเมื่อถึงเวลามันมาว่าอย่าไปผับสายมั น, ม, นมันเพียงแค่อยู่หายใ จ, จนี่ความความตายไม่มีความน่ากลัวเลยต้อเพียงแตอยู่หายใจดีสบายหายใจมาหลายปีแล้วเหนื่อยแล้วพักบ้างก็ดีเหมือนกัน แล้วก็ก็ก็ไปถึงตอนที่อาจารบอกว่าก็ไม่หมดก็เป็นความฝันนะเมืนเวลานอนนอนนะเ้าค่ะก็เหมือนนอนหลับก็เลยคิดว่าอางั่นถ้าถ้าจะถึงเทาวจริงๆก็ก็ถือว่านอนหลับไปแล้วก็จบพอแล้วอยู่ฝันดีก็เลยเวลาทำบุญเวลาทำบุญก็ฝันดีไปแล้วเดี๋ยวตื่นมาก็ได้นั่งายหน่อยเจ้าค่ะก็เวลานอนก็ก็นอนไปกับปีติ เที่มันเป็นการเปลี่ยนร่างกายร่างกายเก่ามันเก่าแล้วก็ถึงเวลาไปเปลี่ยนใหม่หมอก็ต้องให้ยานอนยาสลบก่อนะให้ยาสลบให้หลับไปอเดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายใหม่นะพอพอลูกฝึกตรงนี้ค่ะพอลู้สึกตรงนี้ค่ะเบางคนรอบข้างเขาเขาบอกเขาก็มองว่าลูกเป็น คิดเรื่องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นโรคประสาหรือเปล่าทําไมคิดแต่เรื่องตายอะไรเงี้ยแต่<อ>ลกูกคิดว่าเรื่องตายนี่แหละคือเรื่องสําคัญที่สุดทุกคนแต่อย่าไ่บอกเข า, าเพราะมันคนระดับการจิตเข้ากับเรามันอยู่คนระดับเขายังไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นปนัญหาที่แก้ได้เนี่ยเราทําของเราไปไม่ต้งไปบอกเขาหรอเจื่อ่วตัวเจ้าค่ะตัว แน่ใจว่าเขาอยากจะเลือกเขาบอกว่าเจ้าค่ะเพราะว่าคือคือมีอาสามีเก็สนับสนุนตรงนีใ้ให้ปกติแต่บางทีๆๆเขาความรู้สึกว่าเหมือนถ้าเราเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเราเปลี่ยนเปลี่ยนมากเขาเลยมองว่าชีวิตของเราแบบคู่อะค่ะมันมันดูเหมือนไม่ปกติอะไรเงี้ยเขาก็บอกพอ พ่อก็บอกเขาว่าเนี่ยแบบว่าเออเนี่ยเราพร้อมคือคือที่เหลือของชีวิตคือคืออยากฝึกเพื่อพร้อมที่จะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าอยู่ต้องไปพบไปเนี้่ยค่ะไปแบบอยู่แบบเหมือนประสาหรือเปล่าต้องไปพบจิตแพทย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องไปอยู่วันแล้วนเขาบอกถ้ายูคิดอย่างนี้ยู่ไปอยู่วันได้แล้ว ก็ว่าพระว่าไมมาสเตอร์คือคือว่าเขาเป็นคนต่างชาติคนอเมริกันนะคะก็บอกว่าถ้าเราพูดถึงมาสเตอร์ไม่มาสเตอร์ก็คือพระอาจานะคะเขาทราบก็บอกว่าแล้วก็ไม่มาสเตอร์บอกว่าให้นึกถึงแล้วนึกถึงความตายตรงนี้เขาบอกว่าเหรอถ้าพระทุกเขาบอกเขาก็เลยบอกว่าหรอเออก็เศร้าเนอะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาก็เลยบอกก็เลยแบกแตาไม่รู้ว่าท่านนึกบ่อยๆแล้วจะไม่เศร้าพอมันชินแล้วมันจะสบายจังบ่อย ใช่ไม่เจ้าคะ่ะเราก็พยายามไม่ปัดสายพยายามนึกถึงนึกถึงกันบ่อยนะเจ้าค่ะจะได้เหมือนกับ ว, ว่าเป็นเพืนมีกันจนถึงเวลาจะได้ไม่จะได้ไม่เป็นเครียดกันเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะเพระแค่ตรงนี้เราเจ้าค่ะถูกทางนะเจ้าค่ะอ่าถูกทางนะตั้งแต่เวลาปฏิบัติภาษาใหม่ก็พยายามล่าเลยเหมือนเดิมอย่าไปทําหน้าเศร้าเสียวหรือขเขำไมนรู้เรื่อ ง, องอว่า <laughs> ผิดรูปไปแล้วเค่ะผิดรูปไปแล้วเจค่ะเราเรียนครกเอยลาเจอเขาหน้าแดงเบิกบานเหมอนแฮปปี้เหมือนเดิมเลยเพะจ้าค่ะผิดรูปปแล้เจ้าค่ะเขาเขาสนับสนุนเต็ที่เขาไม่ยอมให้ลูกไปทางานเจ้าค่ะเขาบอกว่าให้ลูกปฏิบัติตรงนี้ให้เป็มที่เขาบอกไม่ต้องไปหางานทาเขายินดีเลี้ยงขอให้อยู่ที่บ้านแล้วก็ปฏิบัติไปเจ้าค่ะก็ต้องไม่เปลี่ยนกับวิธีปฏิบัติเี่ยาถ้าเปลี่ยนทีนั่นเดี๋ยวก็ไม่เห็นสนับสนุนนะ เก่งนะดีมากนจ้าคคคมนอยู่ที่ไหนดิโอแกวัสดีครับนัสัการพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนผอยู่กรุงเทพเนี่ยครับพอดีอันนี้มันเป็นนามแฝงผมครับผมชื่อทันพงครับครับก็ได้มากราบนักสักการะพระอาจารย์เป็นครั้งแรกครับ พอดีมีกัญยาณมิตรคุณพัทรพรเป็นผู้แนะนําครับอครับก็ยังไม่มีคําถามอะไรก็อยากจะมาขออขอไกล้ชิดพระอาจารย์โดยครัง้งแรกโดยกันเห็นเห็นพระอาจารย์ก็สบายใจแล้วครับโอเคดีดีดติดตามไปฟังไปก่อนก็ได้นะครับครับขออนุญาตาเริ่มต้นจากหทที่หนึ่งก่อนแล้วกันครับโอเคครับแตตอนนี้เราประชุมกันมาประมาณ 1>, 1ชั่วโมงกับ5้าสามนาทีแนละ้วที่ว่าจะขอหยุดประมาณสองสองชั่วโมงเนละยประมาณเจ็ดนาทีอันนี้ให้คุณคุณอะคุณอะไรที่เข้ามาหัาสิบเนี่ยคุณชื่ออะไรนะออฟฟิศหรือคุณฟิตอะไรเนี่ยเฟิร์ตเฟิร์ครับคุณฟ้าอยากจะพูดอะไรไนหะคุณเฟิรต้องต้องเปิดไหมโอเคสวัสดีครับอยู่ที่ไหนคุณเฟิรปิดอีกวนะ้า เชียงใหม่เปิดไปแลอ่าเปิคุณโครับอ่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับกราบนมสักการอาจารย์ครับมีอะไรจะถามไหมอยากอยากถามพระอาจารย์ว่าเราจะมีกรรมฐานแบบไหนครับที่เหมาะกับการทํางานครับที่ต้องใช้ความคิดครับพรอาจารย์แล้วก็ให้มีสติอยู่ในงานที่เราทําอย่าไปคิดอย่างอื่นทํางานก็ให้คิดอยู่กับเรื่องงานอย่างเดียว อ๋อ oh, ครับผม mm hmm. ก็คือมีสติอย่างเดียวแต่เราไม่ต้องใช้พูดโธอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องต้องใช้ทํางานใช้ความคิดก็หยุดพูดโธไปก่อนครับผมแล้วเว้นเวลาที่ไม่ต้องใช้ใช้ความคิดก็ม่นคิดด้วยด้วยเปลื่ยก็ใช้พูดโธอยู่ครับอ๋อ mm hmm. oh, ก็ให้ทําแบบนี้เรื่อยๆไปใช่ไหมครับเรื่อยๆแล้วจนกว่าจะมีโอกาสที่จะไปฝึก เต็มที่ไปอยู่วัดหรือไปอยู่ที่ไหนก็เราจะได้สติได้เต็มที่แตถ้ายังต้องใช้ทํางานอยู่ก็ต้องใช้ความคิดไปเท่าที่จําเป็นครับผ ม, มแล้วก็มีเวล า, าลองนั่งสมาณ์นั่งหลับตาดลูลองนั่งหลับตาพุโทโธไปดูครับผมห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําเลยครับน่ะแล้วก็หยุดพักทํางานช่วงไหนว่างก็ เราเนั่งหับตาพุทโธพุทโธไปนั่งกับเก้าอี้ก็ได้ครับ <c oughs> แล้วแล้วเรื่องของอสุภคะครับอาจารย์เราครือเราต้องทําสมาธิถึงขั้นไหนถึงจะไปอสุภะอย่างนี้ครับมันจริงก็คิดได้ทุกเวลาตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าเราเนึกถึงอสุภะได้กันได้ม่ไยหรือว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามมีอาการสาดิตสองมีดินน้ มีลาไส้มีตับมีไตมีโครงกระดูกมิ่งต่อกันมันก็จะต้องกลายเป็นซากศพก็คิดได้ถ้าถ้ามีความสามารถจะคิดจะคิดได้คิดเพื่อสอนใจให้รู้ความจริงของร่างกายครับครับแต่ว่าอาสุพาเนี้ยถ้ามันจะเห็นชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสมาธิด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ก็อาศัยนึด้วยว่าเราพิจารณาอยู่บอ่อยๆเดี๋ยวก็้องมันจําได้ มันบอกค่ะ ค, คิดทิพมันบ่อยๆแต่คิดิพคิดบ่อยๆได้ก็ต้องมีสมาธิถึงจะคิดได้งั้นก็ช่วนก็จะถูกกรเด็นเริ่มไปคิดเรื่องอืน่นนะครับผมโอเคนะครับมผมไ ม, ไม่มีแล้วครับกับนมสัส ก, การพระอาจารย์ครับแก้วตาแก้วมีอะไรไหมแก้วเปิดน้ำมสัส ก, การพระอาจารย์เจา้าค่ะเออเป็นยังไงเพิ่มเข้ามาหรออ๋อเข้ามา สีรอบแล้วเจ้าค่ะอ๋อสี่รอบแลเจ <c oughs> ้าค่ะมีอะไรจะพูดไหมวันน <c oughs> ี้มีเจ้าค่ะเอออยากกลับเรียนพระอาจารย์ว่าที่ที่เคยจิตตกอะ่ะเจ้าค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วที่พระอาจารย์แนะนําว่าถ้าถ้าจิตตกทําอะไรไม่ได้ก็ให้สวดพุดโทโธพุโทโธหรืออิติปิโสอะ่ะเจ้าค่ะเจ้าเจ้า ก, ก, ก็เลยพอจิตตกแบบนั่งสมาธิไม่ได้เจ้าก็เลยสวดอิติปิโสไปเรื่อยๆอ่ะเจ้าค่ะ ตอนตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นหายเครียดแล้ความเครียดเบาลงเบาลงยังไม่หายร้อยเปอร์เซนแต่ว่าดีขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะทำไปเรื่อยอย่าประมาทค่ะเจ้าค่ะทีนี้จะกลับียไทําให้เจ้าค่ะพอพอแต่ว่านั่งสมาธิเนี่ยมันไม่เห็นนิ่งไม่เห็นแบบเหมือนขนลุกสู้หรือไม่เห็นแบบเหมือนที่ใครเขาทํากันจิตสติแล้วยังน้อยอยู่จิตแังเพิ่มอยู่ ก็ส่วนมันท์ไปก่อน <Okay. S 1> นั่งสวดมนต์ไปนั่งพูดโทวไปอย่าไปอยากให้ให้เกิดผลอันนี้เพียงแต่ทําให้ให้ทําให้เราอยู่เฉยๆหนั่งเฉยๆได้ไม่เครียดก็พออย่าไปต้องไปหวังให้มันให้มันมีขลลูกซ่าเลยเจ้าค <c oughs> <น>่ะใช่เจ้าค่ะกลับราขอคุณเจ้าค่ะผนลูกซ่าได้มันต้องดูลงได้นั่งดูลมเฉยๆได้ <c oughs> <c oughs> ยังนั่นดูลมไม่ได้ก็อย่าพุ่งไปไปไปคิดถึงเรื่องนั้นให้อยู่กับบุตรส่วนนวลไปก่อนพูดโทรไปไม่ให้มันเครียดไปก่อนให้แม่แม่มันฟุ้งก่อนเจนกว่าเราคิดว่าเราดูลมได้ก็ลองลอ ง, ลองนั่งดูลมต่อไปนะเหนียวตอนนั้นก็จะขนลูกขึ้นมาได้เวลาเจ็ดมันเย็นมันสงบนะ โอเคนะก็พอดีครบสองชั่วโมงพอดีมีใครอยากจะถามให้งไม่ปอโอกาสให้ถามอีกครั้งสุดท้ายเพราะก็สมคุณแก่เวลาวันนี้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วสองชั่วโมงก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงยอมรัาสิ่งที่ท่านได้ยนได้ฟังไปพรนี้ไเจอหนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งย่งนไป And. Um.